ชั่นฮิตเนะียเขาไปบวชที่ประเทศอินเดียเเยอะมากคุยคุยเล่นธรรมกับพวกไฮโซเี่เขาเฮ็ดกันคือประเทศประเทศอินเดียแล้วก็ไปบวชเดี๋ยวนี้ เ, เขาไปไปบวชได้ไปบวชเฉยๆก็เอาคือชีวิตหนึ่งตั้งพุทธศาสนา พอได้ไปบวช ด, ดินแดนที่พวกวที่เ่ยวท่านตัดสรโลก็ยังดีอะวัานั้นเสียเงินไปนะจี 10, 50, ่หมื่นห้าหมื่นไปบวชทำมาได้อะไรกลับมาก็ไม่ได้อะไรก็ไปประทับยี่ห้อชีวิตว่าเคยผ่านเคยการบวชในอินเดียมากิจโฉมนุษสะปฏิลาโผการเกิดเป็นมนุษย์เป็นของยาก เห็นอาจารย์สมภพท่านเทศเทศจนเป็นอมภาพอยู่บนธรรมาฏเนี่ยได้หามลงแล้วเดี๋ยวนี้ท่านก็ยังยังไม่ปกติน่ะใช้สเต็มเซลล์รักษาก็ไม่หายเป็นอมาะเพาชีวิตเขาเป็นประโยชน์กับคนเยอะนะเกิดมาเนี่ยเป็นอมภภาตแต่ว่าสิ่งที่ผ่านมาท่านก็ให้กับโลกเยอะหลวงปู่ชาเป็นอมพาตอยู่สิบสามปีจึงตาย เป็นอมภาร์ไปไหนมาไหนไม่ได้กระดุ ก, กดิกไม่ได้นะไปป้นเข้าแต่ ก, ตก็หายใจอยู่สิบสามปีลงปู่อะไรนลงตาไปเยี่ยมมันก่อนยี่สิบปีเป็นรมภาร์ยี่สิบปีก็มีลูกศิษย์ลูกหาที่เข้าใจธรรมะเพราะท่านเพราะสังขารของท่านเกิดมาก็เป็นประโยชน์กับคนเนี้ยก็เยอะถ้าท่านก็เป็นรมภาร ถ้าฟังเล่นๆนะขณะที่ฟังเนี่ยก็ไม่ต้องลุกไปถ้าง่วงก็ไม่ลุกนะแต่ถ้าง่วงก็คือลุกก็ลุกตอนนี้แหละไปตอนนี้ใครไม่ไหว้กเป็นนอนพักผ่อ น, นทำไงได้สังขารมันเมื่อยมันเพลียก็ตามเหตุตามปัจจัย แต่คนไหนคิด่พอสู้ได้พออยู่ได้ทนได้ก็ทนดูปัญญาเนี่ยมันเกิดช่วงหนึ่งคือเกิดช่วงนั่นแหละเกิดช่วงที่มันต้องทนกับเวทนายเยอะๆนะภาษาดีบทในบวชได้สิบห้าวันไปคุยกับหลานหลานเนี่ยมันเหตุผลเยอะที่คณะขาเนี่ยจะไวเล็บยาวมากหลานนั้นคุย มันมีวาทะเด่นนะหลานอะไรควรแก่ข้าพเจ้าข้าเจ้าจะฟังอะไรที่ไม่ควรข้าพเจ้าก็ไม่ฟังอะไรควรแก่ข้าพเจ้าข้าเจ้าชอบใจอะไรที่ไม่ควรข้าพเจ้าก็ไม่ชอบใจไม่ชอบใจข้าพเจ้าจะไม่ฟังอันไหนข้าพเจ้าชอบใจข้าพเจ้าจะฟังอะไรว่าเอาอย่างนี้ไหมไปฟังพระพุทธเจ้าพูดบังไม่ไปไม่ บางทีอาจจะมีอะไรที่พระพุทธเจ้าพูดแล้วทำให้เธอชอบใจอะ่ะก็ไปไปฟังพระพุทธเจ้าพอไปก็ถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตั้งก็ถามมาเริญพรโยมมาอะไรคุณตอน ม, มาตามที่พนาชายชวนมาจะจะมาอะไรล่นะก็ตั้งใจว่าจะมาฟังธรรมธรรมชนิดไหนล่ะ ทำเช่นนี้ไหนก็ได้ที่มันควรแกลียข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะฟังถ้าไม่ควรก็ไม่ฟังถ้าอันไหนข้าพเจ้ชาชอบใจก็จะฟังไม่ชอบใจก็ไม่ฟังสิ่งใดที่ควรแกลียข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงจะรับอันไหนที่ไม่ควรข้าพเจ้าก็ไม่รับคําพูดอันนี้อืเอาชนะคนมามากมายหลากหลายแล้วที่นนท์ที่นี่นะมีแต่คนเขาพูดว่าจะไปตายทางไหนก็ไปเท่า พูดคำพูดแบบนี้แล้วไปถึงจังไปตายทางไหนนะไปเนียมันพูดแบบหาเรื่องอันนี้ยพูดแบบไม่ตั้งใจพูดแบบขี้เกียจแต่พอไปเจอพระพุทีเจ้พระพุทธเจ้าพูดแบบหนึ่งนะพระเจ้าบอกว่าแสดงว่าความคิดอันนี้ก็ไม่ไม่เหมาะกับเธอนะเนี่ยสิ่งไหนที่ไม่พอจะไม่ควรเกะเข้าไปเจ้าเข้าไปเจ้าจะไม่ฟังพระเจ้า่ะความคิดอันนี้ก็ไม่เหมาะกับเธอเธอจะไปฟังมันถ้าจะมาเหนือเมฆ โอ้อยางงั้นเลยวงั้นแล้วความคิดไหนที่พระเจ้าควรจะฟังพุทธกอพูดให้ฟังพูดเรื่องเวทนาปริฆาสุนว่าด้วยทุกแบบนี้อะไรเนี่เวลาฟังเนี่ยมันจะทุกขนะ์ทุกข์มันพอใจมันไม่พอใจมันเจ็บเจ็บปวดปวดนั่งฟังเนี่ยทนฟังคนอื่นพูดเนะี่ยมันเมื่อยแต่ถ้าด่าคนอื่นนะ่ยสนุกนะแต่ถ้าทนฟังเขาพูดมันก็อยากฟัง เจ็ปวดเมื่อยบางทีก็พอใจบ้างไม่พอใจบ้างถูกกระทบกระทั่งเสียดสีนะหรือบางทองคนก็ไม่เกี่ยวกันนะกับกระทบกระทั่งเสียดสีแต่ความคิดมันเกิดว่าให้กูว่าให้กนะูมันมีตัวกูตัวมึงตัวสูเข้ามามันก็ลําบากหน่อยท่านก็พูดในฝั่งพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปนะแต่เนื่องจากว่าเขาไม่ได้ฝึกสมาธิมาคนเนี้ย สมาธิจิตเนี่ยมันไม่พอแต่น้าชายนี่คือใครใครน้าชายหึ่เออสารีบุตรสารีบุตรเนี่บุตรของนางสาลีนะแม่ชื่อสารีสารีก็เป็นลูกนางสารีเรียกว่าสารีบุตรอันนร้นเคยฝึกมาฝึกมาจนถึงวันนี้วันที่สิบห้าแล้ววันที่สิบห้า ตั้งใจปฏิบัติมากทำความเพียนไปฟังนิดเดียวเองนะสมัยก่อนไปฟังพระอาสัจิพูดคือสมัยก่อนเป็นโยมอยู่กับสัญชัยเวรรัตบุตรลัที่ของสัญชัยนี่ก็ดีนะสมัยก่อนมีครูอยู่หกคนที่ดังๆสมัยพุทธกาลในคนอัตบุตรสันชัยประกุทธกัจยะนะมคคิริโกสาตอย่างูริเจ้าต่างคนต่างมีนิพพานในตัวนะ ลทัทธิไหนเขาก็มีนิพพานลทัทธินั่นกับมีนิพพานลทัทธินี้ก็มีนิพพานเพราะพระพุทธเจ้าก็มีนิพพานของท่านเหมือนกันแต่ไม่รู้ของใครดีกว่ากันอันคำว่านิพพานนี่มันมีมามาตั้งแต่เกิดละตั้งแต่แต่สมัยคัมภีร์อุปนิสัตถ์ละตั้งแต่ยุคก่อนพุทธศาสนาภิกษุนี่ก็มีมาก่อนพุทธศาสนาอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยไปเห็นใครจึงอยาก อ, อกบวัตเห็นใครเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็เห็นใคร ืเห็นไข่ท่านเห็นไข่ทอดพระเนตรทอดพระเนตรไม่ได้ใส่น้ำมันหมูนะเห็นไข่ไม่ใช่เอาตาไปทอดนะแบบว่าดูนะไม่รู้มันรู้หรือเปล่าคนกรุงเทพนี่มันทอดพระเนตเนี่ยไม่ได้ใช้น้ำมันพืชนะทอดธรรมดาเนี่ยเหมือนทอดหแหเนี่ยไม่ได้เอาเหม่มากินนะทอดเห่ไม่ไดเหมือนทอดไข่นะ พอดพระเนตรเห็นใครหเห็นใครนะ อ, อืนนักบวชนะนักบวชนักบวชนักบวช ก, ก็ผระสงค์นี่แล้วพิสูจนนี่แหละก็เลยนึกอัะสัจจะนักบวชก็มีมาก่อนพุทธศาสนานะเขาสอบแห่งหาสัจธรรมเนี่ยลงตาคุยเล่นๆ น, นะเคยไปเคยไปอินเดีย เคยไปอินเดียไปเห็นพฤะลือสีเห็นอะไรแต่เขาเอาจริงเอาจังมากบิณฑบาตก็ไม่หมาั่นไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้กินทุกมากแต่เขาจะนั่งสมาธิเขาจะทําความเพียรเนี่เต็มเลยยิ่งไปน้ำคงคาเนี่ก็ยิ่งเยอะมากยังมีฤือสีบางประเภทที่คอยมาเป็นนายแบบถ่ายรูปกคนไทยเก็บสิบบาทสิ บ, บาทพระลือสี แบบนั้นก็มีนะลือศีไปนั้นก็ได้เงินอยู่แต่ลือศีบางประเภทก็เอาจริงเอาจังนั่นเขาก็ไม่มีเงินไม่มีข้าวน้ําอะไรจะกินต้องทนมากมิจฉาบรรไม่ได้กินเนี่ยต้องแย่งกับขอทานนะวันหนึ่งขอทานมันเยอะมากะแข่งกับวัวด้วยต่างหากวัวก็เดินขึ้นท่าน้ําเดินลงท่าน้ําเดินมันคนเดินในวัวนะเดินหากินอะไรหล่นแถวๆมันก็กินเรียบคนก็ไม่ได้กินลือศีก็ต่างหากอีก นั่นกลับมาก็นั่งสมาธินั่งสมาธิดับเวทนานะหยุดเวทนานะ่ะทําไมเมื่อกี้จะหยุดได้เวทนานหิวไหมหิวเนะ่ะมันไม่ได้กินต้องอดต้งทนมากนั้นเขาจึงมี ท, ทัศน์ทรมานตัวเองนะทรมานร่างกายมากมายหลากหลายอดทนอดข้าวอดน้ําอดอะไร อ, อดซาลพปัดจะอดเขามันสมาธิเขากล้าแข็ง จนกระทั่งว่าเป็นอะไรอากินจัญญาเจตนะอากาศสานัญญาเจตนะเป็นฌานหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นรูปฌานฌานที่เพ่งรูปเหมือนเพ้นเกอร์สินเนี่ยเพ่งอยู่กับดินนะ้ำไฟลมเพ่งให้มันจ้องมันนิ่งจนกระทั่งว่าหมดความรู้สึกเนะี่ยไม่มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยไม่มีมันนิ่งดิ่งไปเลย แบบนั้นก็มีพระบุเรียโอ้อันนี้มันเรียกว่าเป็นพรหมนะเนี่ยพรหมพรหมแบบพรหมพรหมในนิกายของศาสนาพราหมณ์เป็นแบบนั้นนะักบวชเขาเอาจิงเอาจังแบบนะั้นแล้วก็ได้รับการเคารพนับถือจากคนคนประเภทนั้นนะแต่ทีนี้เวลาเขามาฟังธรรมเนี่ยพระบุเรียว่าอันนั้นมันไม่ใช่ทางมันสุดตรงเกินไปมันผิดทาง แค่มาเฝ้าลเลยลึกรู้ดูความคิดถ้ามันนิ่งเลยมันเห็นความคิดไหมมันไม่เห็นเหมือนเธอทําถ้าทำจริงมันจะไม่เห็นความคิดแต่อยู่ๆแล้วจะมาดูเฝ้าดูความคิดเลยที่สติไม่มีก็ไม่ได้อีกแหละเหมือนยังไม่มีไฟฉายเนี่ยตายังบอดอยู่จะไปจ้องดูอะไรในที่มืดเนี่ยไม่ได้ต้องสร้างดวงตาขึ้นมาก่อนนะสารีบุตรเนี่ยเป็นเป็นนักบวชหนุ่มที่อยู่ในลทัทธิอันนั้น แต่ว่าไม่บรรลุธรรมท่านก็เลยมาคุยกับโมคขลานะพระโมคขลาเนี่ยรู้จักนะรู้จักเขาไหมในตำลานะโมคขลาก็าเป็นลูกผู้ใหญ่บ้านพระโมคขลานี่ยเป็นนักเลงสักยันเต็มตัวบนคูบาเนี่ยแหละเป็นเพื่อนกันเออไอที่เราฟังมาเนี่ยอาจารย์สอนเนี่ยเขาี้ไม่ค่อยดีอะ่ะไปหาฟังทำมาอื่นดีกว่านะอา้าวแยกกันไปนะ ใครรู้ธรรมะแล้วมาเล่าให้กันฟังหน่อยไปฟังอะไรที่มันมันได้ ไ, ได้ดีๆกว่านี้เนี่ยก็แยกกันไปไปฟังทำก็เลยมาเจอนี่แหละเจออสัชชิเนี่ยภาษาลิบุตรเนี่ยมาเจออสัชชิอสัชชิปฏิบัติธรรมใหม่ๆนะยังไม่รู้ธรรมะเท่าไหร่เพราะไม่ตั้งใจฟังฟังดีๆนะจะเปรียบเทียบอะไรให้ฟังไอเนี่ยพวกทิฏฐิเนี่ย โกนทันยะวัปปะพัติยะมหานามะและก็อาสชิอสชิพรามเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันมาหลายคนเป็นผู้ประทาเของพระพุทธเจ้าพวกเนี้ยสมัยที่เป็นสิทธะพวกนี้มีความเชื่อเพราะไปดูอาจารย์เกจิอาจารย์ลือสีทั้งหลายทั้งปวงปฏิบัติทำอะไรเข่งคัดแล้วไม่มีใครเกินโกนทันยะไม่มีใครเกินสิทธะ สิทธัตถะเเคร่งกว่าเพื่อนก็เลยคิดว่าเออรอบรรลุธรรมกับคนนี้ดีกวา่าแต่มาช่วงจังหวะหนึ่งเนี่ยสิทธัตถะมาฉันอาหารนะฉันอาหารไกรย่ย่างวิเทียนบุรีพวกเลยคิดโอ้คงไม่ใช่ละมัง้งอันนี้ไม่ใช่ทางคนทุกข์ไงมันกินข้าวเนี่ยถ้าก็กินข้าวไม่ใช่กินวันเดียวแล้วอ้วนขึ้นเหมือนในรูปนะก็กินนานอยู่คนนี้ก็โอ้ ก่อนเขาแค่จะบรรลุธรรมแล้วคือสมัยก่อนคนเข า, เขายกย่องว่าทรมานตัวเองเนี่ยจะบรรลุธรรมจะหมดกิเลสจะได้ในสิ่งที่อยากได้จะประสบผลสําเร็จในสิ่งที่ตนเองปรารถนาเพราะมีเทพเทว า, ารักษ์อะไรตั้งปวงจะประสิทธิ์ประสัดผ่อนให้ถ้าปฏิบัติพรมจจัน์ปฏิบัติบอาเ พ, พริศรสอะไรที่มันเคร่งครัดจริงๆเนี่ยสรุปก็คือเอาไปเอามาท่านก็ เวลามาฟังธรรมะโอ้ยพวกี่เข้งขัดนะฟังธรรมเนี่ยตั้งใจเนแล้วเข่งคัดสมัยก่อนแต่พอพระพุทธเจ้าปฏิบัติธรรมเป็นแบบนั้นเขาไม่พอใจเขากุกนหนีไปอยู่ที่หนึ่งต่างหากบำเพ็ญส่วนตัวเอายิ่งเหมือนเดิมพรมานตัวเองเหมือนเดิมพอพระพุทธเจ้าเดินมาหานี่พระพุทธเจ้าก็เปล่งปลั่งมีหน้ามีนวลเหมือนใช้สกาแครเหมันอะไรเนี่ย ก็เลยบอเออพระพุทธเจ้าเนี่เป่งปังรบริเจ้าเลยบอกเอา้าตถาคตได้ตัดสัรู้เลยนะตถาคตเนี่ยได้ตัดสัรู้แล้วเข า, วาโอ้เป็นไปไม่ได้หรอกเ ป, ป่งปังขนาดนี้ไม่น่าจะได้ตัดสัรู้นะมันน่าจะเหี่ยวเหี่ยวได้ตัดสัรู้เนี่ยสู้พร้อมกระดูกสี่โครงไหลไปไหลมาประมาณนั้นนะ่ะอันนี้ไม่น่าจะใช่พุทธเจ้าเลยว่าเราเป็นคนจริงนะทําอะไรจะทำจริงพูดเนี่ก็พูดจริงนะ เคยพูดเล่นสักทีไม่อยู่กับพวกเธอเนี่ยวันหนึ่งกวนธัญญาณบ่กเอิ่มจริงวะถ้าไม่เคยพูดกวนธัญญาณนี่ก็ตั้งใจฟังแต่อีกสี่คนนั่นว่าปะปฏะธัมหาธรมะอสิจินี่ไม่อยากฟังไม่ไม่ได้ไม่ไปเชื่อไม่เชื่อไม่น่าจะเป็นไปได้แต่กวนธัญญานี่เป็นคนแก่ก็ประมาณห้าสิบเนี่ยก็ไม่แก่มากพอพระริเจ้าเจ็ดวันเขายี่สิบ ท่านตอนนี้พระพุท้าสามสิบห้าเขาเท่าไหร่อืออืมประมาณนั่นแหละห้าสิบห้าท่านก็ฟังตั้งใจฟังแล้วุระพุทาเขาพูดให้ฟังว่าที่สุดของการกระทำสองอย่างคือเข้งคัดเกินไปก็จะเท่ากับหย่อนยานเข้งเกินไปเนี่เท่ากับหย่อนยานนั้นพวกเราที่เข้งแข้งเนี่ยเท่ากับพวกที่หมกมุ่นอยู่ในกรมชีวิตเ่าเนี่ยเหมือนๆกัน มันไม่ได้ต่างกันหรอกคือไม่ได้ผลอะไรเนี่ยทรมานตัวเองเฉยๆคนหนึ่งก็ฟังอีผู้หนึ่งไม่ฟังไม่ฟังนะเดินหนีไปพวกนั้นไม่ไม่ค่อยสนใจบําเพ็ญสมาธิมาเยอะอยู่แต่ไม่ฟังทิฏฐิเยอะเพราะไม่ได้ไประโยชน์ควรอนุญาตั้งใจฟังพอฟังไปปุ๊บพระพุเจ้าจะพูดถึงเรื่องการปล่อยวางทั้งวะที่ก่อนเราทําสมาธิเนาะเพ่งจ้อง นะทำแบบนู้นแบบนี้อัตตะกิลมัฐานุโยคนะท่านบอกว่าเป็นไปเพื่อการทำให้เกิดทุกทุกโข อ, อนัตสันหิตุไม่มีประโยชน์นะเป็นปุถุชนโนเป็นเรื่องของปุถุชนเป็นเรื่องของคนหนารู้จักคนหนาไหมพวกเธอนี่หนาไหมคาว่าหนานี่หมายคำว่าอารมณ์มันหนาเน่อย่างตัวง่วงนี่ ซอกออกมาสองวันสามวันไม่ออกนี่เรียกว่าปุถุชนปุถุแปลว่าหนาง่วงนะความคิดมันหนาเรื่องเดียวนั่นน่ะนะแกะยังไงมันก็ไม่ออกแกะยังกระบอกไม่ออ ก, ออกสักทีแกะแล้วมันไม่ออกนะมันหนานะถ้ามันหนาไปนั่นเขาเรียกว่าปุถุปุถุชนโงปุถุชน ผู้ชุชนคนหนาห่วงนะคิดนะเบื่อนะขี้เกียจนะนะความคิดมันหนาความปรุงแต่งมันหนามันแน่นมันออกไม่ได้ท่านว่าอันนั้นนะที่ทำแบบมันจะเป็นไปเพื่อความมันหนาแน่นแบบนี้อารมณ์มันหนาแน่นมันออกไม่ได้มันยากที่จะออกนะจริงๆเนี่ยมันต้องเจริญมักนะนะหมกมุ่นในกามก็ดีหมกมุ่นอยู่ใน ความเข่งคัดกุลีมันไม่ใช่ทางทางที่ถูกต้องคือรู้เฉยๆสัมมาทิฏฐิท่านบอกสัมมาทิฏฐิคือเห็นเห็นตรงๆเห็นเฉยๆเห็นซื่อๆเห็นอะไรเห็นกายเห็นกายสักแต่ว่ากายนะเราก็ได้ยินนะไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเห็นกายสักแต่ว่ากาย อย่างการนี่เห็นเดินนี่รู้สึกกูเฉยๆหายใจเข้าก็รู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึก เ, เฉยเห็นเห็นมันเคลื่อนไหวเฉยๆเนี่ยเวทนาเจ็บปวดกูรู้สึกว่าเจ็บปวดแต่ไม่ใช่กูเจ็บปวดนะและไม่ใช่ใครทําให้เราเจ็บปวดไม่รู้สึกว่าถูกบังคับหรือไม่ถูกบังคับรู้สึกว่าเป็นอาการนะฮะเกิดขึ้นเฉยๆเดี๋ยวมันก็ดับไปประมาณนั้นเราก็ดูเฉยๆดูอาการ เกิดขึ้นทั้งอยู่เดี๋ยวก็ดับไปเห็นมันไม่จะเห็นมันไม่เนี่ยถ้าเราไม่เฉยกับเวทนาเนี่ยเราจะไม่เห็นเลยว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปได้ยังไงเขนะาก็ให้เห็นเฉยเฉยรู้เฉยเฉยและลึกรู้เฉยเอย่าคิดว่าเป็นกูเจ็บจะคิดว่ากูปวดบางคนคิดตรงนี้โอ้ยกูคงจะเป็นโรควันะนั้นแน่ๆนะนี่เดินมากขนาดนี้กลับไปนี่โอ๊ยขากูเป็นโรคเกาโรคอะไรเนี้ย มันคิดไปก่อนนี้มันเป็นตัวเป็นตนนะนี่คือถ้ามันจะคิดนี่ตัดทันทีเลยตัดออกมิลองกินก็เหมือนกันเนี่ะยังกินว่าอันนี้เป็นสัตว์นะนี่อันนี้เป็นเจนะนี่นี่เป็นอนั้นนะนี่เขาไม่มีคำรู้สึกว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเป็นเราเป็นเขาสัตว์ว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นกําลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิดเป็นธาตุธาตุสี่อย่างพวกเธอทั้งหลายนี่ เคยพูดอยู่เสมอว่าเราทั้งหลายก็ไม่ใช่คนวิเศษวิสูอะไรแต่เกิดจากธาตุดินน้ําไฟลมประกอบกันขึ้นรูปกายเราเนี่ยแล้วก็กินข้าวกินน้ําำเราก็เท่ากับสัตว์ตัวหนึ่งหมูห ม, ũ, หมากาไก่ตัวหนึ่งประกอบกันขึ้นนะอเมื่อเช้านี่คงจะมีปลาด้วยเอันเราก็มีปลามีหมูมีหมามีอะไรถ้าไปทางสกุลนกเราจึงมีหมาแถวนี้ไม่มี แต่พระนี่ก็ไม่มีหมานะเพราะไม่ไ ม, ไม่กินนะไม่ได้กินเนื้อหนังมังสานีคือเรากินอะไรอันนั้นก็ประกอบกับเราเนะี่ยพ่อพอแม่เราก็ไม่รู้ไม่รู้ก็เกิดเราขึ้นมาเราไม่รู้ก็เกิดเราขึ้นเป็นธรรมชาตินี่ไม่ใช่เป็นบุญนะที่ได้เกิดมาเนี่ยไม่ได้มีบุญเลยทุกแทบตายต้องหาเลี้ยงมันนะเนี่ยใช่ไหมเอาหาทำการทางานหาเงินหาทองมาประคบประงมมันเนี่ย ดูแลมันแล้วมันไม่ใช่ธรรมดาไม่อยากกินข้าวปัจจัยสี่ธรรมดามันไม่พอนะโทรทัศน์อีกนะนะแต่ก่อนโทรศัพท์เครื่องใหญ่เท่าแขนนี่ก็พอสมควรแล้วเดี๋ยวนี้ลุงมาจะกระเป๋าดึงเสาขึ้นไอ้คนตายเลยต้องเล็กๆบางๆเดี๋ยวนี้ยก็ได้ต่อมาเดี๋ยวนี้ก็สาม G ก็ยังมีกเป๋านั่นเห็นไหมนี่จิตมันจะบริโภคไปแบบนั้นน่ะโน้ตบุ๊กก็เล็ก ต้ออันเล็กน้อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆจิตมันคิดแบบนั้นคือมันจะบริโภคอะไรที่เขามีบริโภคมันจะบริโภคหมดนะ่ะไม่ได้หมายเขามันจะแค่บริโภคปัจเจกซีนะย่ารักษาโรคข้าวปลาอาหารมันไม่เป็นแบบนั้นนะ่ะโอ๊ยทําไมอันนั้นเก่าจังน่ะวันนี้ก็บปะทุว์วันนี้ก็ปัทุว์วันนี้ก็บพัดวันนี้ก็บพัดอยู่นั่นแหละเนี่ยจิตมันคิดแบบนั้นนะย่ารักษาโรค ก, ก็เหมือนกันนะ่ะ ไปหาหมอลง ม, มาเด็กกรชนครันยานอกราคาหนึ่งยาในราคาหนึ่งโ้เขาเอาของนอกดีกว่าประมาณนี้จริงๆก็ไม่รู้เหมือนกันของนอ้องหรือของในแต่เขาว่าอย่างนั้นเสื้อผ้าก็เหมือนกันมันชอบของดีๆอ่ะจิตอันนี้นี่แหละมันเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวเป็นตนมันอยากได้อะไรก็อยางได้เป็นตัวเป็นต น, ตนตมันไม่ได้สับว่าเป็นาธาตุตามธรรมชาติเพื่อบำบัดทุกขเวทนาอันบังเกิดขึ้นแล้ว นะมีอาภาต่างๆเป็นมูลเพื่อป้องกันเวทนาอันจะเกิดขึ้นใหม่บั้บัดอันเวทนาเก่าอะไรประมาณนั้นปกปิดอวัยวะอันให้เกิดความละอายป้องกันเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายนะมันไม่ได้คิดแบบนั้นอย่เนี้ยมันต้องเป็นแบบนูน้นแบบนีน้แว่นตาอะไรประมาณนี้นมันต้องมียี่ห้อขาต้องเป็นอิตาลีสวิตอะไรประมาณนั้น มันเลยพอไม่เป็นชีวิตเนี่ยมันก็ทุกไปเลยเพราะมันเป็นตัวเป็นตนเนี่ยยิ่งคนไหนตัวตนจัดชีวิตนี่ก็อยู่ยากทั้งที่ยิงชีวิตมันไม่มีอะไรแต่เราก็ขวนขวายให้มันมากมายทรงผมแต่ละคนนี่ยมันถ้าไมมันมาปฏิบัติธรรมนี่ยมันจะมีมากกว่านี้นะเนี่ยทรงนั้นทรงนี้นะผมแดงผมดําผมเนี่ยมากมายหลากหลายแหละดวตงตาเดินออกไปข้างนอกมันเห็นอีนางคนมันวิ่งนะ หมาวิ่งไล่มันองตาเดินไปดูต้นไม้เนี่ยนะแต่เขาเป็นนักศึกษานักศึกษาเขานุ่งแบบลงมาในนี้แล้วเขารีบๆแล้วมันบานๆนอนมันวิ่งเจ๊๊ะเจ๊มันวิ่งไม่ได้นะคขามันเอาตายมึงมึงแต่เป็นจีวรพระแล้ววิ่งติวเลยเนะี่ยไอ้ที่มองไปดูเพราะอะไรพอมันร้องเสียงมันร้องมันส่งเสียงดัง ไม่วยคนก็เรี่ยวมารอดตาว่ามันเป็นมันวิ่งไม่ออกนะประถุงมันมันชุดนักศึกษามันวิ่งไม่ออกน่ะขามันหนีบไปเพราะมันไม่ได้ไม่ได้ใส่เพื่อเตรียมพร้อมนะที่จะประจนภัยแต่มันใส่โชว์ไงรัดลูปรัดลากอย่างโน้นอย่างนี้ความคิดนะสวยประหาร ถูกหมาขัดจ้ะไม่เห็นไหมเนะี่ยความสวยมันนะฉีดยาอีกนะ่นจะ ก, กี่เข็มคือว่าเขา้าสะดือนั้นฉีดเข้าสะดือนะต้องได้ฉีดนะเข้าสะดือเพราะว่าพระอยู่ที่วัดแมวกัดโอบาแมวกัดก็ได้ฉีดยาอันนี้ก็เหมือนกันแหละนั้นคนเนี่ย มันบริโภคปัจจัยสีย่อะไรต่างๆชีวิตเนี่ยบริหารนี่มันเป็นตัวเป็นตนเป็นบุคคลมันเป็นเราเป็นเขาเป็นกูเป็นมึงไป็โมดน่ยมันก็เลยยากลําบากทั้งที่ตัวเราเองเกิดมานี่ยก็ไม่มีอะไรหนังอันนี้ก็เหี่ยวไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะเนื้อเหี่ยวหนังยานตาก็เปลี่ยนไปเรื่อยอะไรก็เปลี่ยนไปเลยแต่เราก็มาแข่งขันกันนะ่ะแข่งขันกันใครจะสวยจะงามจะดีจะเด่นจะนั้นจะนี้ ชุดบางคนเอามาห้าชุดเนี่ยบางคนนะหชุดไม่ซักซักวันกูใส่พลา ส, สติกไว้อย่าลืมนะมัดยางรัดแน่นๆแล้วกลิ่นมันขึ้นในห้องอลยยุ่งเลยคือมันมีเยอะนะเสื้อผ้ามันเยอะยิ่งซักสบ้างก็ดีแไม่มีเวลาอย่างนีนะ้มันยากลำบากเพราะเราชอบแบบนั้นมาแต่ไอนแต่ไร ไปซักที่บ้านบางทีก็ไม่ซักแหละอย่างงี้เนี่ยที่จริงวิถีชีวิตมันไ ม, ไ, มไม่น่าจะมีเท่าไหร่เราตาไปเห็นคนหนึ่งเดินในถนนนะผมยาวไม่มีถุงรองเท้ากางเกงก็ลากไปปัดพื้นเหมือนไม้กวาด น, นี่แหละผู้ชายน้ําก็ไม่อาบนะเห็นเยิ้มแย้มหจ่ำใสแต่สุกปรกมากนะแต่เขาไม่ได้สุขไม่ได้เศร้าอะไรเลย ไอ้นี่มันไม่ติดสมมติเลยเนาะวะคิดเลยจังไม่ติดสมมุติเลยมันสบายอ่ะชีวิตมันสบายมันไม่ต้องมีอะไรไม่มีสังคมไม่มีอะไรเดินมาสักหน่อยเดียวเห็นมั้งควา้าทางขยะริมถนนเขี่ยเขียเขียดูไม่มีก็แล้วไปไม่เห็นบ่นอะไรเลยนะไม่ได้กินกับไปไม่ได้กินกับไปเรื่อยๆเรย ๆ, ๆดูขยะตอนนั้นขยะนี้ไป ชีวิตขนาดนั้นก็พอจะมีพอจะมีความสุขนั้วลงตาว่าตายก็ตายไปมันเจ็บใครได้ป่วยนะั่นแต่มันไม่หาหมอไม่เคยวัยวายสมสิบาทรักษาทุโรคอะไรก็ไม่ว่านะมันเหมือนกับพระสังฆราชของท่านโชกุนนะ่ของญี่ปุ่นนะมีองค์หนึ่งที่คอยดูแลมกุราชกุมานในญี่ปุ่นเอาต่อมาต่อมาระยะหนึ่งท่านก็เลยเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายที่ต้องดูแลึ้นคือคอยสอนเนะ่ะ สอนโลกุได้ช่วงมีช่วงหนึ่งท่านก็เลยลาออกเลยแต่ลาออกขโมยออกหนีกลงคืนหนีไปเลยกลางคืนแล้วก็หายตัวไปเลยนะแต่เขาปรากฏว่าหลังจากนั้นที่มีคนตามหาหาก็ไม่เห็นมีคนคนหนึ่งเขาเป็นนักบวชนักบวชก็นักบวชปฏิบัติแหละแต่ว่าอาจารย์นี่สอนดีมากๆสอนใครก็รู้แจ้งตามหาตามไปแต่มไตามไม่เห็นอยู่อยู่ใต้สะพานในเมือง นลีตะนอนอยู่กับพวกขอทานพระสังฆราชนี่นะ่ะเปลี่ยนชุดทรงน่ะนะชุดขอทานเลยมือนขอทานเนะ่ะเหมือนขอทานชีวิตท่านนุ่งชุดเหมือนกันนอนอยู่กับพวกขอทานก็ไม่อ่านะเหมือนกันแหละอยู่สุขสบายไม่มีใครไปใช้ท่านเลยทีนี้ท่านสบายนะแต่คนนี้พอไปเห็นนะโอ้นี่อาจารย์นี่หว่า ก็เลยะอาจารย์ทำไมมาเป็นอย่างนี้นะผมเนี่ยนำตัวเองผมเป็นคนคนนี้มาอยากให้ท่านอาจารย์สั่งสอนวิชาความรู้ให้ท่านว่าฉันไม่ใช่คนเดิมแล้วฉันไม่ได้สอนใครอ่ะคนนี้ก็ตามอยู่เลยท่านว่าถ้าอยากให้สอนทำอย่างฉันนี่ก็พอฉันทำอะไรก็ทำอย่างนั้นแะก็ทนทำเอาเหมือนกันก็แต่งตัวเหมือนท่านนั่นแหละแต่งตัวมาคอทาน ตอนเช้ามาขอทานเข้าพาออกไปหากินหากินทำขยะทำอะไรพระสังฆราชท่านก็เป็นเหนือนเลยนะท่านทําอย่าง น, นจุตายนะแล้วไม่มีใครรู้นะแต่คนนี้ทําด้วยไม่ได้คนเนี้ยที่ความลับมันถูกเปิดเผยพวกคนนี้แหละมาเปิดเผยทําด้วยไม่ได้ไปหากินไม่นะ่า ก, กินไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้แต่ท่านพกแข่งขึ้นทุกวันทุวันทุวันนะบางวันท่านไม่ออกไปหากิน กลคืนเห็นศพมันนอนตายท่านก็ไปนอนอยู่ใกล้ศพกอดศพเอาขาพาดบอกให้หมอห น, นั้นทําเหมือนกูนี่มันก็ไม่เอาละพาดทีนี้บางศพมันออกไปหากินมันเข้ามาอาหารมันก็เหลือมันสะสมไปนะมันตายก่อนท่านก็ไม่ออกไปบินบาทเลยท่านไม่ออกไปหาขอทานก็กินของไอ้นั่นก็ชวนไอ้หมอ น, นี่มาลูกศิษย์เอามากินด้วยกันเด็้หมอโอ้ยคงไม่ไหวแล้วกินด้วยไม่ได้ ขนาดของเราเนี่ยเขาอาอหารดีๆมาให้กินยังเขีย่ยไปเขีย่ยมาเลยใช่ไหมนับภาษาอะไรท่านจะเป็นแบบนั้นคือมันเป็นธรรมชาติสักวัาต์ตามธรรมชาติมากเลยไม่มีอะไรในพุูศาสนาเนี่ยพระมหากษัตริยเป็นพระองค์หนึ่งะที่ทําได้อัเ น, นี้ยท่านจะเป็นแบบนี้เลยกินแบบง่ายๆไม่มีอะไรนะบางคนไม่แน่นะในกุฏิเนี่ยอาจจะมีสะสมตหางกินตรง น, นี้แล้วก็เข้าไปกินตรง น, นู้นอีก พกพกมาต่างหากยึดโทรศัพท์ได้อยู่แต่ขนมปุ้งขนมเปียกูมีตังหากนี่ก้วยทอดก้วยตากูก็มีต่างหากอะไรประมาณนบริโภคถ้าเธอคิดแบบนี้เธอเบี้ยวพระพุทธเจ้าเนี่ยเธอไม่มีโอกาสได้รู้งั้นตอนเช้านี่เอามาถวายพระซะ ห, ห, หลอกตัวเองนี่ก็เท่ากับหลอกพระพุทธเจ้านะหลอกพุทธะในตัวเราเนี่ย พุทธะคือตัวรู้ตัวตื่นตัวบวคคมันมีอยู่อ่ะแต่เราก็หลอกไปเรื่อยๆรื่อ ย, อยไม่ได้อันนี้ต้องเด็ดขาดกับตัวเองซื่อสัตย์บุคคลไหนซื่อสัตย์น่ะอุชุจิตตังสติปัญญาสันเลยโกวิเดยมีนานมีความเพียรันเป็นเลิศมีจิตอันซื่อตรงอุชุจิตตังมีสติปัญญาที่อบรมสั่งสมสั่งกาหนดรู้อยู่อย่างสม่าเสมอ จะทำลายมาราละพันตุโนกาสังกาตุนะบริเยสุมีพุธาทิปะวโรนาโทรรมโมธรรมะจึงจะปรากฏแก่ผู้นั้นแต่ถ้าไม่เด็ดขาดมันก็ไม่เกิดให้นั้นเราลองไปทบทวนดูว่าเราผิดพลาดตรงไหนปฏิบัติธรรมเนี่ยบางคนมาวันหนึ่งก็ยังไม่ได้ฟังโอ้กูไม่นึกว่าจะปานนั้นเนาะนแต่พอปฏิบัติธรรมไปสักอโอ้ได้ยินได้ฟังเลิกเลิกเลกเลก เลิกได้แล้วมันก็จะเริ่มมีขึ้นมาคุณธรรมจะเริ่มสะสมเกิดขึ้นนะลองไปดูดิบางคนกลับไปนี่ยังจะสะผมทางนั้นอันนี้อยู่นะนะก็สะบ้างก็ไม่เป็นไรหรอกนะสะบ้างถ้าไม่สะเขามันก็เหม็นอยู่ใกล้คนอื่นเขานะ่ยมันเหม็นดังนะพระนี่เขาไม่ได้สนใจทรงผมตัดออกไปเลยเป็นพระเป็นชีตัดออกผป ม, มันไม่มีประโยชน์ไง มันมีประโยชน์ตัดออกก็สบายพวกเธอทั้งหลายก็เหมือนกันเนี่ยหล้นึว่าตัดออกเลยก็ได้ผมเนี่ยมันไม่ได้ใช้อะไรมากมายหรอกคิวนะเนี่ยแต่ก่อนก็ไม่ได้ตัดหรอกเพราะว่าเหงื่อมันไหลลงมาเนี่ยมันจะกันเหงื่อไว้เนี่ยแต่พระเข า, าเอาออกก็เลยเอาออกแต่สมัยพุทธกาลไม่ได้เอาออก เพราะว่าชีวิตมันไม่มีอะไรอย่างที่ว่ายมันจะง่ายๆยอย่างเงี้ยแต่คนมันไม่ได้เห็นความง่ายแบบนี้แลวไม่ได้เห็นว่าโลกธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟประกอบกันขึ้นเฉยๆแล้วก็เสื่อมสลายหายไปเป็นแบบนี้แต่ว่าส่วนมากนเราจะประครบประงมความเป็นตัวตนเรามากเราหลงตัวเอง นะบางทีก็คล้ายจะรู้นะอย่างฟังเนี่ยใช่ใช่นะเป็นธาตุนะแต่มันไม่แจ้ง mm. ก็ใช่ไหมทีนี้ปัญหาคือมันไม่แจ้งมันไม่รู้แจ้งนะ่ะถ้าเขาพูดอะไรแบบใกลๆเหผลน้อยๆ น, นี่ล้วพอทนได้อยู่แต่เวลาเขาเจาะลึกเน่อยีย่อบเนี่ยว่ากูนะเนี่ยทันทีนะมันขึ้นมาทันทีนะบอบเนี่ยมายจากคำว่าปลอบ แล้วคนจิตอ่อนคือต้องปลอบเอาโยนเอาปลอบโยนนะพวกผีปลอบก็คือคนที่สติอ่อนก็คือต้องได้ปลอบโยนต้องเอาอกเอาใจก็จะหายตรนี้แต่เขาเขียนเอาลอลิงหอกก็เหลือแต่ปลอบเหลือแต่ปอบนะจริงจริงผีมีไหมผีเนี่ยมันไม่มีนะถ้าใครว่าผีมีเนี่ยจับมาขายได้ลงตารัรบซื้อนะ ผีมันไม่มีในโลกนี้ไม่มีผีไม่มีผีไม่มีบวชมาจนป่านนี้ยังไม่เคยเห็นผีเลยนะใครเคยเห็นผีบ้างในนี้อมีไหมถ้าใครคนไหนเคยเห็นผีนะต้องรีบไปรักษาเพราะไม่ปิดไม่ตกปกติแล้ว จิตมันไม่ปกติแต่ถ้าเจริญสติอยู่สักระยะหนึ่งเนี่ยแล้วมันจะหายอันนี้ะเจริญสติเนี่ยมันจะหายความบางทีมันมันไม่เห็นผีเนี่ยแต่จิตมันกลัวคำข้ามมืดๆที่มันไปเยี่ยมไม่ได้นะ่นนี่ไปขี้ไม่ได้นันี่บางคนตื่นขึ้นก็ไม่กล้าตื่นนะเพราะคนอื่นยังไม่ตื่นถ้าคำข้ามกลางคืนก็ลุกขึ้นมาก็คนอื่นยังไม่ตื่นมันก็อ่านประมาณนั้นน่ะเดินก็ดังๆทำนนเพื่อให้คนอื่นตื่นไงกูก็จะได้ไปสะดวกเขาเห็นมั่ง เพื่อมาเกิดการคุ้มครองแต่จริงๆมันไม่มีอะไรหรอกไม่มีผีมันไม่มีมันเป็นความรู้สึกที่เกิดจากจิตแล้วมันเป็นสิ่งที่สะสมมาสมัยตัวเด็กๆแต่ไม่กลัวผีกลัวไหมเด็กสมัยสักปีหนึ่งสองปีนี่กลัวผีหรือยังกลัวหรือยังย่างแต่พอมันโตขึ้นโตขึ้นนี่มันจะกลัวเพราะมันเริ่มสะสมเริ่มเริ่มใส่ข้อมูลเข้าไปไง ยิ่งโตๆขนาดนี้ก็ยิ่งกลัวแบบประหลาดเลยเลยนี่นะวันก่อนหมอคนหนึ่งไปปฏิบัติธรรมกับหลวงตาวิทวัต น, ะนิโคไม่ใช่เทลิโอนะนะหมอนิโคไปปฏิบัติธรรมโอ้ยล้องไาหงตุตหาหาเลยไอ้กลัวหมอไปด้วยกันสี่คนหลวงตาไปแยกออกคนละห้อง ไปนอนคนกุติแกยอมจ่ายคนละผันละพันนอนด้วยกันหน่อยเถอจริงจริงกุติมันก็เรียงกันอยู่ห้องเรียงกันอยู่แต่ก็โอ้ยใหญ่าจากกันไปเลยแกว่าแกปฏิบัติทำ ม, มาไม่รู้กี่สำนักแล้วไปเนีะยถ้าแต่เป็นนักศึกษาแพทย์มานน้นอ่ะอยู่ะทั่งจบผู้เชี่ยวชาญก็ยังกลัวอยู่ออกไปไม่ได้ตายพอดีเลยเถอเอ้ย ก็วลวงตาเอาเอาเอาเอามวลหน้าค่อยค่อ ย, อยทดสอบอารมณ์วัวลนี่จะเพิ่งสอบเลยจะเพิ่งสอบเลยไม่ใช่สอบอารมณ์แต่ว่าเป็นระเบียบของวัดนี้มานอนสักคืนสองคืนแล้วเขาจะแยกกันให้อยู่คนละทิศคนละทางแค่เขกลัวนะกลัวมากๆแกพ่อไม่ใช่เป็นแต่หนูนะหมอดอ้วยกันก็กลัวเหมือนกันนะหลายคนอยู่นะ เป็นเป็นโรคเหมือนหนูนี่นะคือกลัวกลัวผีเขกลัวผีจริงๆมันเป็นสิ่งที่เข้ามาใหม่ถ้าปฏิบัติธรรมและเจริญสติแบบนี้นี่ถ้ารู้รูปน้ำแล้วมันจะหายวับออกไปเลยกลัวผีเนี่ยมันจะหายไปเลยมันจะไม่มีเลยคําว่ากลัวผีในจิตเนี่ยกลัวความมืดกลัวอะไรนี่ยมันจะหายออกไปเลยเพราะมันเป็นกิเลสที่มันเป็นอาสวะที่มันเป็นหมักหมมอยู่ในจิตเฉยๆถ้ามันเกิดการรู้แจ้งรู้รูปรูปน้ำมันจะหายหายโดยธรรมชาติเลย ความขลังความศักดิ์สิทธิ์ความบริจ า, ม, า, ามันไม่มีเพราะจะเหลือแบบว่าธาตุตามธรรมชาติทนั้นเองมันไม่มีนะมันเป็นธาตุตามธรรมชาติมันจะเห็นแบบนี้เลยทีแรกเนี่ยคนปฏิบัติธรรมรู้ธรรมะทีแรกนะี่ยคือความกลัวผีเนี่ยความงมงายเนี่ยหายไอ้พวกแขนพระแขนเหรียญพวกนี้ยไม่มีหรอกพวกที่แขนพระแขนเหรียญในคอเนี่ยมันโอ้ยมันห่างไกลอันนี้ห่างไกลสัจ ธ, ธรรมแม้จะประดับตกแต่งเนี่ยเขาก็ไม่ประดับ มันไม่มีอ่ะไม่รู้จะเอาอะไรมาห้อยทำไมฮะทั้นคนมาปฏิบัติธรรมเนี่ยจะรู้จากทานันี้โอ้คนนี้จิตอ่อนแบบนี้เนาะคนนั้นแบบนั้นแบบนี้นจริงจริงมันไม่ได้มีบางคนมีตุ่มหูตุ่มหางอ้อยเต็มไปหมดนะเน่ะคนประดับมากไงเพราะมันมีความเชื่อมั่นในตัวเองบางทีไป น, นั่งรถคนนั้นคนนี้นี่ห้อยพระเต็มไปหมดเลยรถบางคันก็ นึกว่าท่านจะรักษาไม่รักษาหรอกยิ่งหลายองค์ก็ยิ่งนะเกี่ยงงอนกันพระก็ผมจะจำวัดขอให้ท่านคุ้มครองนะในเหรียญ น, นั่นแนหะมันก็แบ่งกันเกี่ยงกันเอาไว้มาคว่มตายพอดีนะมันก็ยากเพราะว่าไปคุ้มครองหลายคันนเหรียญคุ้มครองหลายรถหลายคันยากลาบาก เงินมันไม่มีอะไรโยมมันไม่มีอะไรความคิดมันมีแต่มันมีแต่ก้อนทุกข์อันนี้เฉยๆเนี่ยโยมคนหนึ่งไปปฏิบัติธรรมว่าผีเข้าให้หลวงตาไล่ออกให้หลวงตาว่าถ้ากูเป็นผีกูก็ไม่เข้ามันมีแต่ขี้เ น, นี่ยน่นไม่เข้าไปเหม็นจะตายมาเข้าไปทำไมเพิ่จะกล้าเข้าไปไหมเอา้าด้วยสามัญสำนึกมั น, นมก็ไม่เข้าใครจะมาเข้าไปเนาะขี้ทั้งนั้นเน่ะ อยในมนุษย์เนี่ยผีที่ไหนจะงโง่หายตัววับเข้าไปมันออกไม่ได้คือทํำยังไงไปติดขี้เลยจะยุ่งนะมันไม่เข้าไปหรอกแต่คนมันคิดมันเป็นอุปทานไงอุปทานมันไม่มีลองดูดิปฏิบัติทําให้เห็นว่าเป็นสักวะธาตุตามธรรมชาติลองดูแต่ว่าเนื่องจากว่าสติเรานี่มันฝึกน้อยเวลาลงตาพูดอย่างนี้ปุ๊บมันก็เออ มีผลอาจจะเหมือนเนาะแต่จิตมันเขาไม่ยอมนะมันไม่ถอยนะเพราะมันไม่แจ้งอาจจะไหมมันไม่แจ้งเขาไปปฏิบัติธรรมเขาทําเพื่อให้มันเกิดการรู้แจ้งพอมันรู้แจ้งมันจะจําได้เลยว่าวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่บ่ายหนึ่งโมงสองโมงหนึ่งหน้าที่เก้าวินาทีตอนนั้นกูรู้แจ้งขึ้นแล้วความกลัวผีกูหลุดพ่อไปเล้ยตั้งแต่นั้นมาจิตมันสว่างแล้วมันไม่มีเลยอ่ะมันหายไปแล้วแต่บางคนก็ค่อยคหาย ก็เริ่มดีขึ้นกลับไปก็อยากทดลองดูไม่หน้าห้องน้ํำกูน่าจะเข้าคนเดียวได้แล้ะมั้งเนี่ยนะมันเป็นทดลองเอามันไม่มีก็เริ่มมีเหยียียผลขึ้นมาแต่ว่ามันไม่ใช่การรู้แจ้งอันแบบนั้นก็นะมันใช้ตรกกะช่วยนะแต่ถ้ามันเกิดการรู้แจ้งมันจะเป็นอีกแบบหนึง่งทีน่นี้การรู้แจ้งเนี่ยมันก็มาตรงที่นี้แหละตรงที่ว่าสมัยก่อนพระฤาษีพวกเนี่ย เขาปฏิบัติทำเขาเข่งคัดเนี่ยเวลามาฟังพระพุทธเจ้าปุ๊บเลืสีนี่เข่งคัดทั้งห้าคนนะแต่ว่าคนหนึ่งนะ่ยตั้งใจฟังพอตั้งใจฟังมันก็เลยปิ้งขึ้นมานะอีกสี่คนฟังไหมไม่ฟังไม่ค่อยเชื่อจะเกิดอะไรไม่รู้อะไรเลยได้ที ท, ทีิคนฟังนี่ต้องมีสมาธิฟังแล้วมันจะเกิดปัญญารู้แจ้ง พวกนี้มีสมาธิมามากแล้วแต่คนนึงเป็นมีคนมีทิฐิไม่อยากฟังก็เลยไม่รู้ธรรมะแต่คนหนึ่งตั้งใจฟังแล้วรู้โกนทัญญานะรา่รู้ธรรมะรู้ธรรมะก็เลยโกนทัญญาเป็นคนไปตามบุีิทำาไมไม่ตั้งใจฟังเมื่อกี้นี่เนี่ยผมเกิดปิ๊งกันมาแล้วนะไปบอกบอกพวกนั้นพวกนี้ตั้งใจฟังเหมือนสอน เอาไปมาพวกนี้ก็เลยตั้งใจฟังเพราะเชื่อโกนธรรัญญาไม่ใช่เที่ยวพระพุทธเจ้าก็เลยตั้งใจฟังพันษานั้นฟังไปฟังมาพาทันปฏิบัติทําไปพวกนี้ก็เลยได้ดวงตาเห็นทำมอกพันศามาฟังอนัตตลักษณะสูตรพระพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องอนัตตาในที่สุดก็ได้บรรลุธรรมเนี่ยแต่ก่อนไม่ได้ตั้งใจฟังนะ ถึงไม่มีสมาธิตั้งใจฟังไม่ตั้งใจฟังก็ไม่รู้แล้วมีบางคนเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยตั้งใจฟังอยู่แต่ว่ามันไม่ได้สะสมตัวรู้มาก่อนไม่มีสมาธิมันก็ไม่ปิ้งอันนี้นะคนที่จะฟังและเกิดการรู้แจ้งได้อารมณ์เกิดเพราะว่าแจ่มแจ้งมานจิตเนี่ยประมาณสักสามวันสี่วันผ่านไปก่อนแล้วมาฟังเนี่ยจะมีคนเกิด ปีติเกิดสมาที่เกิดปิ้งขึ้นมาได้เลยเวลาฟังเนี่ยอารมณ์ที่มันเป็นทุกข์อยู่ข้างในมันจะสามารถลุตออไปแล้วเราจะเห็นขึ้นมาน่ยแต่ใหม่ๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยเป็นเพราะมันไม่พอสภาวะสติไม่พอนั้นเวลาเราไม่เมื่อยปด ป, ดปวดไม่เมื่อยเราทํางานทั้งวันปฏิบัติทำทั้งวันเนี่ยถ้าเรามาตั้งใจฟังฝืนหน่อยเนี่ยพยายามจเจริญสติอดทนใบตั้งใจเนี่ยมันเกิดปัญญาอันนี้ขึ้นมาได้เกิดการรู้แจ้งขึ้นมาได้ เพราะว่ามันมันมันเป็นธรรมชาติที่สามารถพบเห็นได้บ่อยๆสำหรับคนปฏิบัติธรรมนะแต่คนไหนที่มันทุกข์มากอย่างเขาไม่ไหวโอ้ยอยากกลับเขาอาจจะรู้แจ้งนะถ้าดึงไววเนี่ยนะแต่นี่ก็เอาไปที่ชอบที่ชอบใครชอบบันไหนก็าปล่อยเขาไปอันนั้นแต่ถ้าทนเนี่ยมันจะได้ไประโยชน์อะไรมากกว่าเพราะเรามาจากบ้านเนี่ย เราหวังเพื่ออะไรอ่ะมาต้องมีเป้าหมายมาปฏิปธรรมก็ต้องตั้งใจอัตมาเข้าใจรูปนามเนี่ครับเข้าใจในขณะที่ไปฟังเทศน์นี่แหละวันที่ห้าวันที่ห้าก็ตั้งใจยกมือสร้างจังหวะนี่แหละก็ฟังตอนเช้าด้วยซ้ำไปตอนตีสี่ครึ่งตีห้าเนี่ยฟังพระเทศ เลยเข้าใจว่าคนบรรลุธรรมในขณะที่เขาฟังเทศมันเป็นยังไงจิตมันเป็นยังไงเนี่ยไม่ได้เข้าใจในขณะไปเดินจู ก, กุมนะเข้าใจในขณะที่มันนั่งฟังเรากสร้างจวะต า, ามเข้าไปไปมันก็เกิดภาะวะแจ่มแจ้งสว่างสวัยขึ้นมาของมันเองแต่ถ้าคนฟังใหม่ๆเนี่ยมันจะตั้งใจฟังไอ้ความตั้งใจฟังนี่จิตมันไม่เป็นกลางเข้านะใจไหม มันอยากฟังมันฟังด้วยตัณหามันจะไม่เป็นแต่ถ้าไม่อยากฟังก็ไม่เป็นทีนี้ฟังแบบไม่อยากฟังไม่อยากฟังแต่ฟังฟังแต่ให้ใจมันเฉยเฉยมันเป็น ก, กลางๆนี่ยคือจูนเหมือนเราจูนสถา น, นีวิทยุเนะ่ยหมุนไปหมุนมาเราลึกรู้เฉยเฉยไปเรื่อยๆฟังรู้เรื่องก็ได้ไม่รู้เรื่องก็ได้แต่เราจะรู้สึกตัวไปเรื่อยๆเรื่อยเฉยเฉยไม่ต้องใส่ใจหรือไม่ใส่ใจตรงนี้แหละที่มันจะรู้ธรรมะเนี่ย ไอ้ที่เราไปเดินจูกลมนั้นก็เหมือนกันนะ่นะคือเราจะให้มันเฉยเฉยเนะี่ยจะให้มันรู้สึกธรรมดาเมื่อไหร่ที่เราอยากรู้นี่มันจะไม่รู้นะคือเราทําด้วยความอยากน ะ, ะนั้นเรา ท, ทําทุกวันทุกวันนีนทําหาหาความเป็นกลางที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทานะนะ่ะเมื่อไหร่ที่มันเป็นสายกลางวัดเดียวเท่านั้นแหละมันตื่นโพลงขึ้นมาดีจิตนี่นี่นะครับมันเหมือนเราไปต่อยมวยเนี่ย ต่อยเย็บซ้ายเย็บขวาอัปคัดสวิงอะไรประมาณนะั้นแทงเขา่าเรื่อย ๆ, ๆมันไม่ลงสักทีแต่มันจะมีจังหวะหนึ่งหรอกที่กาดมันตกนะ่ะแล้วเราจะสอยพุ่วเข้าไปนี่มันจะล้มตูมลงไปเลยนะเนยราอยากได้อันนั้นจะาอยากได้อันนั้นเดี๋ยวนี่โอ้กูชนะแล้วชนะเมื่อเมื่อคู่ต่อสู้มันไม่สู้กับเราอะ่ะเราจะชนะความง่วงก็เมื่อต่อเมื่อเราเห็นว่าความห่วงมันสู้กับเราไม่ได้แล้ว มันไม่มีพิดสงแล้วนะ่ะความง่วงเนี่ยความปรงแต่งมันผูกเราฆ่าไปแล้วนะ่ะความคิดก็เหมือนกันมันไม่มีอะไรเลยในใจเนี่ยทั้งที่เมื่อกี้กาลังสู้อยู่ประมาณนะี้เราจะเห็นภาวะนั้นปรากฏเกิดขึ้นในจิตเราแต่ถามว่าจะรอเอาหมัดสุดท้ายนั่นเหรอือไม่ได้ไอ่ะไปชกมวยจะรอเอาหมัดสุดท้ายก็ไม่ได้มันต้องเตะขาเตะขาไปเรื่อยๆเจาะยางแทงเข่าทิบเข่ารอย สู้ไปต่อยเล็กต่อยน้อยไปเรืๆเย ๆ, ๆสะสมไปยกสี่ยกห้ามันจะอ่อนตัวลงบางคนจะมารอเอาวันที่ห้าวันที่สี่สุดท้ายมัวมันไม่ได้หรอกนะต้องเอาทุกวันบางคนตอนเช้ากูยังไม่สู้แล้วกูจะนอนพักผ่อนสัก่อนค้นสายคๆค่ำๆกูลุกขึ้นไปลุยลูกเดียวโอ้ยมันไม่ได้เราไม่รู้ว่าตอนที่เรานอนมันก็กระแทกเราก็กแทกเอาเนะี่ยความง่วงเนี่ยมันสะสมตัวทิฏฐมาลนะ มันเกิดกับจิตเราเนี่ยมันมากมายอยู่แล้วนะมันต้องสะสมตัวรู้นี่ไปเรื่อยๆเืๆื่อยๆจนกระทั่งมันพอพอถึงจังหวะหนึ่งเนี่ยจึงจะทำได้จิตเป็นแบบนั้นแหละมีคนหนึ่งนะก่อนหน้านั้นพระพุทธเจ้าบรรลุธรรมก่อนที่จะเดินมหาปัญจวัคคีย์เนี่ยท่านเดินแล้นนึกถึงคนที่ปฏิบัติธรรมเอจะไปสอนใครดีเนาะ นึกถึงออาจารย์ลือศรีอาล า, รากรดาบุอุตะกะดาบุพวกนี้ย็สองคนนีนสมาธิดีเนาะแต่พอไปสอนแล้วพูดนี่ทิฏฐิมากติดสมาธินะ<อ>เลยของครูก็ดีอยู่แล้วไม่นะ เ, เรียนอันนั้นเรียนซะไปมันเขาไม่ยอมเรียนไม่ยอมปฏิบัติเพราะเขาว่าของเขาก็ดีอยู่สมาธิแล้วนิ่งดิง่งพวกยอมมันไม่ต้องให้นิ่งไงดิง่ง ดูว่ามันคิดอะไรรู้สึกเฉยเฉยมันคิดรู้รู้ให้เห็นธรรมชาติของมันมันเกิดมันดับยังไงดูแลปล่อยวางมันเขาว่าไม่ปล่อยวางทําให้มันนิ่งพอทําำใจที่มันก็แวบเข้าไปเลยพุทธเจ้าเลยโอ้ถือว่าตายไปซะสองคนนี้มันตายจากมรรคผลนะ่ะคนในสมาธิมากๆนี่ไม่ได้นะไม่มีโอกาสเห็นธรรมนะนะพวกนั้นยิ่นิ่งดิ่งไม่มีโอกาสเลยโยมเอ้ยนะยะมุดเข้าไปในสมาธิได้สมาธิเป็นอปปนาสมาธิเป็น อุปจาระที่มันมากมเนี่ยแค่รู้สึกตัวเฉยๆพุทธธรรมเนี่ยรู้สึกแค่เห็นความคิดเห็นอารมณ์เฉยๆก็พอละแล้วลึกรู้ไปเรื่อยๆไม่ต้องให้มันนิ่งมันดิ่งอะไรมากมายอ่ะแต่สมาธินี่มันจะเกิดขึ้นสมาธิที่มันมากๆที่เป็นฌานเนี่ยหลังจากที่ดับความคิดความง่วงความปรุงแต่งได้แล้วแต่ไม่ใช่กลบมันไว้นะอย่าไปกลบความม่วงอย่าไปเอาสมาธิไปกดความคิดไว้ไม่ใช่แต่ให้เห็นมันแล้วไม่เข้าไปในมันเนี่ยทำยังไงไม่สนน่ะ ปล่อยแต่เห็นอยู่มันคิดก็เห็นแต่ไม่เข้าไปในมั น, นเห็นความคิดแต่ไม่เข้าไปในความคิดเห็นความว่วงแต่ไม่เข้าไปในความว่วงตัดมันได้ปล่อยมันแต่ถ้ากดจ้องใช้สมาธิเพ่งอะไรประมาณเนี้ยอันนั้นผิดทางไม่ต้องไปเพ่งไปจ้องมันรู้เฉยๆนะรู้เฉยๆจนถ้ามาหาบัญญัวคีนี่แหละแต่ก่อนนั่นที่เดินมายิกที่เนี่ยมาพบกับพรามณ์คนหนึ่ง แกตามหาพระพุทธเจ้าเป็นนักบวชนะะที่ยิงมีหนังนะ่าจะฉายให้ดูนี่แต่คิดว่าพวกเราเนี่ยคงไม่ชอบหนังนะคนกรุงเทพมันไม่ชอบหนังพอมาปุ๊บก็เห็นพระพุทธเจ้าโอ้ถ้าไม่มีผิวพรรณผ่องใสจังนะท่านเป็นลูกศิษย์ใครเรียนมาจากสำนักไหนถามพระพุทธเจ้ะ ว, ว่าเราเป็นสยามโพลไม่ได้เรียนมาจากใครรู้แจ้งด้วยตัวเอง เขาพเจ้ารู้แจ้งในตัวเองไม่ได้เรียนมาจากใครไอ้มอน้ําละมันแลบลินนะมันเ อ, อ้ไม่เชื่อถุยน้ําลายใส่เพราะถือว่าเป็นเรื่องของใหม่ครับว่าสมัยนัน้นเรื่องการบรรลุธรร ม, มเป็นของใหม่ที่บรรลุธรรมวยตัวเองเชิญพ่อรู้ไปนคนเดคนที่ไม่มีครูบาอาจารย์มันไม่มีหรอกในโลกนี้นะอยู่ๆท่านจะบรรลุธรรมคนคนนี้นี่ตามหาพระพุทธเจ้านะแต่พอมาเจอพระพุทธเจ้าไม่เชื่อว่ามีจริง เคยพลาดโอกาสที่จะได้เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าคนแรกพลาดโอกาสนะนี่พระพุทธเจ้าท่านก็พูดตรงๆไอ้หมอนี่ก็ไม่ยอมเชื่อตามหาพระพุทธเจ้าแต่พอเจอพระพุทธเจ้าแล้วไม่เชื่อเพราะอะไรเพราะว่าคิดว่าหเป็นไปไม่ได้ที่จะรู้คนเดียวนี่มันต้องมีครูบาอาจารย์นะว่าถามท่านเป็นลูกศิษย์ใครฉันไม่ได้เป็นลูกศิษย์ใครฉันบรรลุธรรมด้วยตัวเองโอ้ยเชิญพ่อรู้ไปคนเดียวเถอะแคานั้นนะเนี่ย เหมือนกันเราไปหาครูบาอาจารย์ไปไปฏิบัติธรรมที่นู่นที่นี่เราอาจจะเจอครูบาอาจารย์ที่เขารู้แจ้งอยู่แล้วล่ะที่นู่นที่นี่แต่เนื่องจากวาทิถุิเรามีแล้วไม่ยอมเชื่อไม่ยอมฟังไม่ยอมปฏิบัติไม่ยอมสนใจนะฮะบทีเราก็อยากให้เขาเอาอกเอาใจเราคนไหนเอาอกเอาใจเราถึงเรียกว่าคนรู้ธรรมะอะไรประมาณนั้นต้องพูดห ว, วานๆเพอาเพราะอะไรประมาณนี้นะฮะพอมันไม่เป็นดังใจเราก็คิดว่า ไม่ใช่เราก็เลยพลาดโอกาสไปซะจริงๆศัตริธรรมเนี่ยอมันอยู่โดยธรรมชาติอยู่แล้วอย่างที่เราสวด น, น่ะอุปาทาวาพิกเวตธาคตานังเพระพุทธเจ้าจะตัดสรูปก็าตามไม่ตัดสรูปก็ต า, ามธรรมะนี่มันก็มีอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วเพียงแต่พระพุทธเจ้เป็นผู้ไปค้นพบแล้วเห็นแล้วมาพูดให้คนฟังนะ <c oughs> อย่างแรงโน้มถ่วงเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วใครไปค้นพบ อืมอือนิวตันมันไปนค้นพบมันไม่ได้ไม่สร้างขึ้นใหม่นะแต่ไปนค้นพบคนเห็นก็นมาพูดคนฟังโอ้หลักการเป็นอย่างนี้เนาะนี่ไฟฟ้าในอากาศเงี้ยไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าอะไรเนี่ยว่าร่องฟ้าผ่าเนี่ยหลักการโอ้มันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วถ้าเอาหลักการนี้ไปตั้งมันก็มีเข้ามานะี่ฟาราดีเขาก็มาบอกว่ามันเป็นอย่างนี้นะคือเขาเขาไปนค้นพบว่ามันเป็นอย่างเงี้ยเล็ก คนก็คนพบโอ้แทดเหล็กมันเป็นนี้เนาะเอามาใช้ประโยชน์เปนโนนนี่ทีนี้มันมีประเภทหนึ่งที่รีดให้ใ น, น้อยบางๆได้อไอ่เขาเรียกว่าสังกะสีเนี่ยมันก็มีคนไปค้นพบแล้วก็มาพูดให้คนฟังโอ้ไปพบแล้วท่านนี้เอานี้ผสมนี้มันออกมาเป็นนี้นะเพราะผู้ได้เจ้าก็ไปค้นพบอันเนี้ยสภาพธรรมชาติที่มันไม่ทุกข์ในจิตคนมันก็มีอยู่แล้วอ่ะท่านก็มาเล่าให้คนฟัง ย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจงอุตานีกรติย่อมทำให้เป็นเหมือนไงของที่ควา่ามันคว่มอยู่แล้วพุทธเจ้งงาไงขึ้นให้ดูเฉยเฉยเพราะคนมันไม่รู้ไงของที่ควม่มเปิดของที่ปิดมันปิดไว้เปิดออกให้ดูโอ้มันเป็นอย่างนี้เองเนาะนี่เราก็รู้โอ้เป็นอย่างนี้นะเนี่ย นั้นในใจเราเนี่ยมันมันถูกความใครจะรู้ว่าความรู้สึกตัวเนี่ยนำไปสู่การดับทุกข์ใครจะรู้ว่าอันนี้คือสติสติมาละเลกรู้เห็นความคิดเฉยเนี่ยแล้วจะออกจากความคิดได้ออกความปรุงแต่งได้พวกนายจะเห็นจะรู้น่ะแต่พระพุทธเจาท่านรู้รู้ธรรมชาติอันนี้โอ้พอทําอันนี้รู้สึกตัวแล้วมันเกิดปัทะกันเกิดกันสปารเกิดการรู้แจ้งโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองเนาะการดับทุกข์เนี่ยหลังจากนั้นมันก็เป็นแบบนั้นเขาเรียกว่าธรรมชาติ ธรรมชาติของทุก์อย่าปรุงแต่งมันก็ไม่ปรุงแต่งเนะี่ยแต่คนมันเขาไม่ค่อยเข้าใจสมัยก่อนเนี่ยตามหาพระพุทธเจ้าแต่พอเจอพระพุทธเจ้าก็ไม่ยอมรับพระพุทธเจ้าเนี่ยคือบุคคลผู้พิเศษที่ค้นพบอันนี้เฉยๆแต่ก็มาเล่าให้คนฟังจริงๆมันไม่น่าออกได้นะคนอย่างพระพุทธเจ้าไม่น่าจะออกได้เพราะท่านเป็นพระราชา นะว่าที่พระราชาว่าที่จะเป็นจั ก, กรพรร ด, ดิดยซ้าไปสิ่งแวดล้อมของท่านเนี่ยมันไม่น่าจะออกได้เลยเนะี่ยมีแต่ความสะดวกสบายท่านคิดยังไงจึงออกจากความคิดเนี่ยได้ติดในกามในภพพวกนี้อยากมีอยากเป็นความไม่อยากมีอยากเป็นทำไมออกจากความคิดได้หกปีนี่ถือว่าน้อยมากนะพอท่านบารรลุธรรมท่านบอกโอ๊ยจริงหกปีมันไม่ใช่นะะ แล้วสวดเมื่อวานได้เท่าไหร่นี่ยเจ็ดเจ็ดวันครึ่งเดือนยกไว้ก็ได้ไม่จําเป็นต้องถึงครึ่งเดือนน่ะสักเจ็ดวันปฏิบัติธรรมนี่ออกได้แต่ถ้าคนไปทำในหนึ่งวันเนี่ยท่านออกหนึ่งวันพอท่านเจอหนดานเลยท่านก็บอกว่าเจ็ดวันเจ็ดวันเนี่ยของเรานี่อืมเจ็ดว่าได้ยังไงพวกผมเนี่ฉลาดกว่าท่านขอสี่วันเนี่ยมันยังกะฉลาดกว่าพระพุทธเจ้า เพื่อเผื่อมันจะได้อันนี้มันเป็นกฎธรรมชาตินะเนี่ยเรามาปฏิบัติทำเนี่ยเอาลองลองสติ ด, ดูที่นี่จเจริญสติร ะ, ะลึกรู้แล้วดูเนี่ยมันเป็นกฎแบบหนึง่งถ้ารละลึกรู้แบบนี้ตามร ะ, ะลึกรู้อยู่แล้วคุณไม่ง่วงไม่เหงาคุณทิ้งความคิดปล่อยวางความคิดเป็นแล้วระลึกรู้ไปเรื่อยๆมันจะเกิดการรู้แจ้งกฎมนะัน่ะมันก็เท่านั้นเอง ทีนี้การระลึกรู้นี่ให้ระลึกรู้กับกายมันก็เลยแตกแขนงออกไปนะเนี่ยระลึกรู้กับลมหายใจ เ, เข้าหายใจออกก็ระลึกรู้ระู้มันไม่อยู่พอมันไม่อยู่ก็พูดเพิ่มเข้าไปพุทโตพุทโตพุทโตแล้วแต่จะใส่ข้อมูลเข้าไปพองยุบพองยุบไม่พองมันก็ยุบอยู่แล้วแหละก็ะทำอะไรวาย่างน้อสายย่างน้อก็คือจะให้มันรู้สึกแต่ว่ามันรู้สึก๋ต่มันก็คิดไปอ่ะพอมันคิดไปก็เลยพูดกํากับเข้าไปอีกหรือบางทีก็พูด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะสิบเก้าแปดเจ็ดห้าสี่สามสองหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดพูดเพิ่มหายใจเข้าหายใจเข้ายาวหายใจออกสั้นมันยาวหรือมันสั้นขนาดไหนกว่ากันยังไงก็เรยลึกรู้ไปแล้วจะใครจะเอาอันไหนบางคนก็เคลื่อนไหวเดินจกงมเอาอย่างที่เราสวดไปนะ ปุณนะะเจปรังพิกเวภิกขุภิกสุทั้งหลายทําอย่างนี้ไม่ได้อย่างอื่นยังมีอยู่อีกเคยสวดไหมเคยสวดไหมยอย่างอื่นยังมีอยู่อีกมีไหมอภิกกันเตปฏิกันเตสัมปชานการีโหติปิกสุทําลมหายใจไม่ได้ก็ยืนเดินนั่งนอนหรือบางทีปุณนะะเจปรังพิกเวภิกขุ สำ ม, มินชิเตปาสาริเตสัมปชาณการีหติการคู่การเหยียดอวัยวะการคู่แขนเหยียดแขนการนุ่งสมองทรงจีวันให้ได้ลึกรู้การก้มการเงยเหลียวซ้ายเหลียวขวานะการไปการหลับการตื่นการนอนการนั่งการกินการพูดการนิ่งการถ่ายอุจจาระแม้แต่ขี้ก็ให้รู้สึกมีไหมสวดไปมีไหมเออนั่นเห็นไหมน ะ, นะ ขี่ก็นิพานได้เพเธอจะว่าอย่างวิธียกมือมันจะถูกไหมเธอไม่ต้องมาพูดเลยถูกไม่ถูกตำราเขาบอกแม้แต่ขี่ก็บรรลุทำได้นะให้รู้สึกตัวไงให้มีสติเลยเลึกรู้ภาษาลิบุตรนี่บรรลุทำเพราะอนันนี้ขณะไปฟังพระพุทธเจ้าคุยกับหลานท่านนั้นก็พัดไปพัดมาการเลยเลึกรู้ไปพระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อยก็ให้รู้ว่าเมื่อยมันเมื่อยด้เทศอยู่ไม่หยุดสักทีก็เมื่อยนะอะ ดูใจมันเมือ่อยก็รู้เลยึกรู้ก็ส ว, สว่างขึ้นมาสว่างขึ้นมาขณะทำแบบนี้นี่พระเตีพระจุลปันถ ก, กก็บรรลุธรรมเพราะอะไรบรรลุธรรมเพราะพพุทธเจ้าเอาผ้านี้ไปรูปนะสร้างจังหวะกับเขาไม่เป็นเดืินจุ ก, กมมันนั่นก็ไม่ไหวก็ไม่เป็นไรเนี่ยรูปพ้าเขานี่ว่าเขากไปนั่งรูปลูบให้รู้สึกอยู่นี้รู้สึกไปถ้ารู้สึกถ้ารูปไปหกวันถ้าก็บบรรลุสโสดาบันน่ะเพราะจิตมันอยู่อย่อยางนี้นี่ อย่ไปอยไปสนใจกับความคิดในเวลามาคิด ม, มันอยไปสนใจแต่รูปมันนี้แหละรูปอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันก็เกิดการรู้แจ้งขึ้นมาเรื่องเขาเรียกว่าสัมปัชญะปัปพระเลยลึกรู้อยู่กับเคลื่อนไหวอะไรสักอย่างนี่นะ mm hmm. อีกวงหนึ่งพระพุทธเจ้าว่าอ้ามันไม่รู้ธรรมะเนาะ mm hmm. นั่งมีแต่จะหลับอยู่เรื่อยท่านก็เอาไม้กวาดไปเธอจงเอาไม้กวาดไปแล้วปัดกวาดนะ mm hmm. กวาดไปก็ให้รู้สึกไปกวาดไปรู้สึกไป เธอไม่ต้องมานั่งทําเหมือนเขาที่นั่งหลับตาอินทซีเธออ่อนท่านก็ไปกวาดกวาดทั้งวันกวาดไปรู้สึกไปกวาดไปรู้สึกไปในที่สุดแปดเก้าวันก็สว่างแจ้งขึ้นมาก็บรรลุทำเนี่ยเห็นไหมคือทําอะไรก็ได้จิตมันอยู่กับปัจจุบันเนี่ยโรตามีโยมอยู่คนหนึ่งปฏิบัติทำอยู่ด้วยแกไปปฏิบัติแบบพุโทโธมาหลายวันไม่ใช่หลายวันนะสองปีแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมกับหลวงตา คือแกอ่านหนังสือม like yeah, ันมันมีวันหนึ่งแกแกไม่รู้หนังสือหนังสือลงตายมาจากไหนแกก็เลยเข้าไปอยู่ในสำนักนั้นแล้วแกก็เอาหนังสือลงตาไปอ่านเจ้าสำนักเขาด่าเอาบอกว่าอย่าอ่านหนังสือเอามาซื้ออ่านมาได้ไงวะมันนี่ยนะพิษลักพิษและเบียร์แกเสียใจกูไม่อยู่ก็ได้ว่าวัดนี่กูไปตามหนังสือนี้ที่กว่าไปก็เลยจรลีมาตามหนังสือหนังสือการรู้ธรรมนะจะมาอยู่ที่วัดโสมพนัด ตามหาตามหนังสือนี่แหละเขาก็มาก็มาแล้วเขาคุยกันน้อยนึงน้าหลวงตาก็ว่าโอ้ยโยมโยมตั้งใจอยู่แล้วโยมทำาบบนั้นมาตั้งสองปีแล้วนะมันไม่ได้จะรู้ยากเท่าไหร่โยมมาปฏิบัติทำดูดิวันนั้นนะเขาโอ๊้เขาก็มีครอบครัวอย่างน้อนี่ครอบครัวก็วางไว้น่ะอย่าเพิ่งให้มันกลัวครอบก็วางไว้ก็มาเขาก็มาก็มาปฏิบัติทำ มาแตนตอนเช้าไปถึงตอนเย็นก็ปฏิบัติทำไปถึงตอนเย็นก็ฟังทำก็แกบ่กเหมือนเหมือนแกเข้าใจเวลาฟังแล้วเหมือนเข้าใจเข้าใจก็พอใจรู้สึกเออมันจะง่ายๆ่ายง่ายกว่าที่ไปปฏิบัติสำนักโน้นมาะตอนเช้าแกก็ฟังเทศแล้วก็มีความทราบซึ้งใจก็ถือไม่กวาดไปแล้วก็กวาดทีนี้แกก็ยังไม่กวาดนะแกก็ทบทวน ทบทวนที่หลวงตาพูดสักหน่อยถือไม่กวาดไปอยู่ข้างนอกรลวงตาเลยคิดอะไรหลวงตาถามอย่าเข้าไปในความคิดนะเป็นผู้หญิงนะหลวงตาเลยจับมือเข้ามาอันนี้อะไรหลวงตาถามจับเพราว่ามือเอามือนี่จับอันนี้รู้สึกไหมรู้สึกหรองตาก็ยืนขึ้นเยอะๆจับมือเขาจับไม่กวาดจับแล้วกวาดไปเขากวาดไป พอกว่าดไปน้ําตาเขาไหลพลากสว่างขึ้นมาไดนดีเลยนะเขาแจ้งไวแจมแจและเขานั่งโค้มลงกราบเขาดีใจจิตเขาไม่รู้เป็นยังเขาบอกว่าเขาสว่างไม่เคยสว่างมาเลยชีวิตเนี่ยมองไปแต่มันสว่างมันสดใสไปหมดเลยอะ่ะนี่ข้ามคืนเดียวเองนะนะแล้วเขาก็เกิดปีตีน้ําตาไหลตลอดเวลาและเวลา ฟังหลวงตาเทศวันที่สองที่สามมาเขาจะน้ําตาไหลน้ำตาเขาจะไหลคือมันไม่รู้ไงมันซาบซึ้งนะเวลาพูดนี่ว่าหนึ่งหลวงตาเลยเปิดวีดีโอเด็กๆนะเขาคลอดลูกนะนะั่นน่ะเคยเห็นไหมเคยเห็นไหมผู้หญิงคลอดลูกเนี่ยมันน่ากลัวมากนะะลูกมันออกมาหัวมันออกมาเนะ่ะมันน่ากลัวแม่มวาอ๊ะ น่ากลัวเลือดก็เต็มโอ้ ย, อยน่ากลัวแล้วเขาก็จะฉายภาพเด็กมันก็ร้องไห้คนนั้ก็ร้องไห้ก็ก็เพลงนะอันนี้ขึ้นมานะอาจารย์มหาเก จ, จะรู้หรอกนะอบรมเด็กเยาวชนประจําร้องไห้คนก็ร้องไห้น้ําตาไหลเขาก็น้ําตาไหลแต่เขาคิดเฮ้ยกูทําไมร้องไห้วะเขาว่า กูทำไมต้องร้องไห้เพราะอะไรเขาไม่เข้าใจแต่ก็ปล่อยผ่านไปร้องตาเลยเย็นมาลงตาเลยทำสะอาดทีวีดิร้งตาว่าไปทำสะอาดทีวีเอาผ้าให้ <c oughs> เขาก็ไปเช็ดทีวีเพราะเขาเช็ดทีวีเนี่ยคือสมาทิ่เขาดีอยู่เนาะเช็ดทีวีเช็ดทีวีไปดิมาเอา้าเขาบอกว่าวันก่อนกูดูทีวี ดูทีวีเนี่ยมันมีรูปคอดลูกแล้วร้องไห้วันนี้กูก็ดูทีวีเช็ดทีวีเช็ดไปเช็ดมาแต่มันไม่มีรูปทำไมกูไม่ร้องไห้น่เขาโฉกคิดขึ้นมาทำไมมันไม่ร้องไห้อนะเช็ดทีวีนี่วันก่อนเช็ดแล้วมันทำไมร้องไห้เนเช็ดไปเช็ดมานิดหน่อยเท่านั้นเองนะพอกระตุกนิดหน่อยแนละ้วเกิดสว่างแจ้งโอ้ มันเป็นรูปแล้วมันสมมุติภาพขึ้นมาเฉยๆแล้วหลงเข้าไปในพอเข้าไปนั้นก็สว่างแจ้งรู้แจ้งเรื่องสมมุติเรื่องอะไรขึ้นมารู้ปรมาณิขึ้นมาทันทีเลยทีนี้นี่ยคือจิตนี่พอมันมีสมาธินี่มันมันจะมีช่วงมันที่สามารถไปสะดุดอะไรสักอย่างมันจะเกิดสว่างขึ้นมามันจะเกิดทะลุไปแต่ขอแต่ให้มันสุดหลังจากนั้นเขาก็ไม่เคยร้องไห้เลยคืออะไรเกิดขึ้นมามันจะไม่ร้องไห้เลยทีนี้ แต่ก่อนนั้นมันจะร้องไห้บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆมันเกิดปีติบ่อยๆเห็นรูปในทีวีฉายอะไรที่มันโศกเศร้าก็ร้องไห้แต่หลังจากนั้นเกิดอาการนี้เลเขาไปร้องไห้เลยใจมันก็เป็นแบบนั้นเลยท่า น, นในคนเราเนี่มันก็เป็นธรรมชาติแบบนั้นอยู่อะมันมีภาวะแบบนั้นอยู่ที่มันจะสามารถแจ่มแจ้งได้เพียงแต่ว่าขยันหน่อยและตั้งใจหน่อยๆ พอมีสมาธิแบบแบบจังหวะหนึ่งที่มันรู้แล้วเนี่ยมันมันมันจะเกิดความเย็บคลายของมันเองโดยธรรมชาติมันดูอะไรมันจะเป็นธรรมะที่มันจะถูกคิดเองโดยธรรมชาติน่ะแต่ถ้ามันยังไม่ได้สติเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้มันจะนึกเอาไม่ได้แล้วมันจะไม่สว่างมันจะไม่หลุดธรรมชาติอันเนี้ยดังนั้นพระสารีบุตรก็บรรลุธรรมนะพระโมคคลลานี่กี่วันบรรลุธรรม พระโมคคลลานีบรรลุทำตอนเดินจุกรมเจ็ดวันเจ็ดวันเดินจุกรมเดินจุกรมแก้งง่วงนี่แหละเดินไปแก้งง่วงไปเดินจูกแก้งง่วงไปในที่สุดก็รู้แจ้งได้รู้แจ้งบรรลุอรหันต์เลยนะแต่บรรลุโสดาบันเขาเนี่ยบรรลุแค่เล่าให้กันฟังเฉยๆทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุพระศาสดาทรงสแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นธรรมชาติของเหตุที่มันเกิดนะ่ะมันคืออะไรมันเกิดที่ใจท่านบอกให้ไว้เฝ้าดูใจ พอเปบูใจหน่อยเนี่ยเขาก็แจ้งขึ้นมาของเขาเองแต่การบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นี่เขาเพิฟังธรรมะเนี่คนหนึ่งเดินจุกมก็บบรรลุธรรมนั้นก็ไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้หลับตาไม่ได้อะไรเลยแหละเพียงแต่ว่าทํำยังไงจิตมันจริงจะเป็นกลางๆงให้เนี่ยนั้นมาฟังนี่ก็ทําใจให้ไม่เป็นกลางๆงใช่แบบสบายสบา ย, บายไม่ต้องให้มันนิ่งมันดิ่งหรือมันอะไรเแะแต่ธรรมชาติไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะสะสมไปเดี๋ยวมันก็จะเป็นขึ้นมามันเอง พียงแต่ว่าเราแยบคลายหน่อยสังเกตหน่อยประมาณนั้นจะให้ความม่วงเข้ามาเวลาความคิดแว บ, บเข้ามากระสังเกตหน่อยเอามันออกแล้วก็ให้มันอยู่กับตัวปกติไปเรื่อยๆเรื่อยๆมองไปเรื่อยๆเข้าไปดูใจเราไปรื่อยๆเวลามันมีผีเกิดขึ้นมาดูมันเวลามันมีอะไรเกิดขึ้นมาบางทีบางพระบางองค์ในปฏิบัติธรรมนานๆเนี่ยเพรานออกไม่ได้ก็ยังกลัวยังนั่นนี่แต่สมาธิดีเขาจะไล่ไปอยู่ป่าช้า เอาไปอยู่ป่าช้าคือไปยั่วให้กิเลสมันเกิดน่ะมันกลัวผีแล้วผีให้มันเกิดขึ้นมาน่ะเกิดผีขึ้นมาในใจนี่แล้วมันเป็นยังไงจิตเนี่ยมันกลัวไม่ไปอยู่ในป่าช้าน่ะบรรยากาศมันจะมีกลิ่นเหม็นมาทันทีเลยนะในป่าช้าน่ะเหม็นมาทันทีอะไรเกิดขึ้นมามันเป็นอารมณ์ไปทีแรกคืนเดียวไม่เป็นไรคืนที่สองจะเริ่มเป็นน่ะทีเนี่ยบรรยากาศว่าบิวขึ้นมาน่ะ จะวิ่งแน่ไม่วิ่งแน่นะจะไปดีไม่ไปดีความคิดไม่จะเกิดขึ้นทันทีทีนี้เราก็ดูใจเราว่าสู้มันไหวไหมเนี่ยมันเกิดจากความปรุงแต่งเรานะเนี่ยถ้าสู้ไหวมันก็จะสลายไปเลยแต่ถ้ามันไม่ไหวเราจะบ้าตายอยู่ในป่าชาดิหลวงตาไปอยู่วัดหนึ่งเขาให้ตื่นตีเขาให้เข้าโบสถ์เสร็จเนี่ยตีสามอย่างนี้นี่นี่ น, นี่มันจะมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งอยู่ตรงประตูเนนะี่ยเขาตื่นแล้วต้องเข้าไปในโบสถนะ์น่ะ ตีสามพอทีสามแป้งหมดเวลาเจา้านที่ปิดทันทีเลยจะทำยังไงน่ะไอ้พระพวกที่เหลือที่ยืนรอจะมาเข้าออข้างนอกนะเข้าห้องน้งํามงแทาต้องขี้ตั้งแต่ตีหนึ่งนี่แหละเตรียมไว้พอทีสามเขาปิดปุ๊บทันทีเลยพอปิดแล้วมันจะมีรถสองแถวของวัดนะ่ะมารอรับเราอยู่ในนั้นพวกที่เข้าไม่ทันนะ่ะเขาใส่รถบรรทุกนะ่ะเอาไปทิ้งไว้ป่าช้า หลังเขาน่นน่ะเอาไปริงไว้นะถ้าเราคนเดียวรถนะ่ะเอาไปทิ้งเราคนเดียวอยู่นน่นนะถ้ามีอยู่สีวงก อ, อยังชั่วหน่อยวันไหนได้สียูงไปด้วยกันไปภาวนาอยู่หลังป่าชาจากนั่นไปสี่กิโลเมตรจากวัดนั่นไปนะป่าชาที่จริงศพเขาน่น ท่นแต่ละคนก็ตื่นถึงตูเช้าตั้งนาฬิกาตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองกลับมาเป็นนั่งเหงานั่งง่วงไม่เป็นไรในโบสถ์นั่นนะ่ะท่านก็ไม่ได้ถือสาอะไรแต่มันก็ไม่ได้ไประโยชน์อะไรเพราะบังคับกันให้มันตื่นเช้าแล้วไปง่วงอีกนะพอตีปิดประตูพลึบเราจะมีรถวิ่งมาละมารับเอาปริ้งไว้น่นตอนไสยสยประมาณห้าโมงเช้าเขาจะทําโทษถึงห้าโมงเช้าเขาให้กินตอนเพลินนั่นแนหะพวกเขากินตอนเช้า แต่เราเนี่ได้กินเพนคือเขาจะเข้าไปส่งให้ที่นู้นไม่ให้ไปไหนถ้าจะหนีก็หนีไปเลยนะี่เขาไม่ได้ว่าอะไรนะจะหนีก็หนีไปเขาไม่ได้ถือสาเขาไม่ได้อยากได้คนไม่จริงจังอยู่เขาเนี่ยเราต้องอดต้องพลเดินจ ก, กลมอยู่ในป่าใชา้จนเหงื่อแตกก็พะพักๆๆนี่แหละนีมันกลัวแต่พอทําหลายครั้งเข้าก็เขาก็ไม่มีหลายครั้งนะเะบางคนมันไม่กลัวนะไปนอนอยู่ป่าใช้ต่างหากนะผ่านนะ ท่านก็จะสอนแต่มันอายคนนี่เพื่อนด้วยกันนะเราไม่ได้อยากไปเราไม่อยากนับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่ไปท่านก็อดทนต่อสู้นะฝืนเอาก็ปฏิบัติทําความเพียรไปทําไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆแต่จิตมันก็แข็งขึ้นแข็งขึ้นแข็งขึ้นมันก็ไม่มีอะไรโอ้ป่าช้ากม็มีอะไรอะไรกไม็มีอะไรเพราะเพราะมันสู้กับความกลัวมันมากแล้ว เนี่ยความกลัวจะเจอมากๆเนี่ยที่สุดของความกลัวมันคืออะไรเคยเห็นไหมที่สุดของความกลัวคืออะไรที่สุดของความน่วงเคยเห็นไหมเป็นยังไงมีไหมไอ้ที่จะหัวฟัดหัวเวียงจะล้มลงทางจงกรมมีไหมบางคนเดินจงกรมไปยังเสยส้นเสีต้องเข้าขยับเข้าไปอยู่ใกล้คลองนะตกน้ํำนะบางคนได้ยินเขาเล่าเอ้ยมันจะน่วงกว่านั้นบ่กูอยากทดลองผมทดลองเป็นจริงๆนะมันง่วงมากจริงๆนะ ความห่วงแบบธรรมดากับห่วงแบบวิวร์นี้ไม่เหมือนกันเนี่ยฉะน้ในในพุทธศาสนาเนี่ยมันมันเป็นการค้นพบหรือเป็นการประสบความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของมนุษย์ที่เกิดมาในโลกนี้แล้วได้พบคำตอบของชีวิตว่าถ้าปฏิบัติแบบนี้จิตมันจะหลุดพ้นออกจากอุปท า, านที่มันไปยึด ต, ติดกับความงมงายยึด ต, ติดกับความโลบโกรธหลงโซพระโธสามห ه อย่างนี้นี่ แล้วมันออกได้มันเป็นอิสระของมันเองโดยที่ไม่ผูกพันเลยเนี่ยถือว่าผสมสเร็จมากของพระพุทธเจ้าแต่ก่อนล่องตาก็ปฏิบัติแบบกลับหลับตามาเนาะก็จมเหมือนกันแหละห่วงกับม่วงเป็นอะไรไม่เนี่ถ้าไม่ได้ปฏิบัติวิธีหลงโพเทียนนี่คงไม่รอดนะคงไม่รอดเพราะคิดว่าปฏิบัติทำมันต้องนิ่งเน่ยมันต้องนิ่งมันต้องดิ่งต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้นะ แต่พอมาปฏิบัติแบนี้มันไม่ต้องนิ่งอันนี้แค่รู้สึกเฉยๆเอา น, นี่รู้สึกเฉยๆเลยลึกรู้ไปเฉยๆสมัยเมื่อก่อนต้องมีฌานนั่นฌานนี้หลวงพ่อเทียนท่านไม่ได้พูดมากแค่ออกจากความคิดออกจากความปรุงแต่งอยู่เรื่อยๆเรืๆๆ่อยๆการดับความคิดอยู่เรื่อยๆแต่ความปรุงแต่งอยู่เรื่อยๆแหละคือการดับอุปทานทำมากเข้ามากเข้าหรอกเดี๋ยวมันจะสะสมมากขึ้นมากขึ้นแล้วมันจะเกิดการรวบรวมเป็นจตุตารานท่านบอกเป็นปัญจมาฌานแล้วจะเกิดกัน ฟ้าผ่าในดวงใจเราเปลี่ยงดีเดียวนะขาดสะ บ, บั้นไปเลยโดยธรรมชาติอ๋อมันเป็นง่ายๆหลวงป่อเทีนนั่นว่าเออท่านบารรลุทําตอนไหนตอนท่านเดินจูกรมตอนเช้าตอนเย็นเวลาเท่านั้นตอนนี้เวลามาบวชมาปฏิบัติธรรมอยู่เขา้าปฏิบัติธรรมโอ้คนนั้นบรรลุตอนนั้นคนนี้รู้แจ้งโอ้มันมันเหมือนสมัยพุทธกาลนะ่ะแต่ไปปฏิบัติบ้างสายต้องบําเพ็ญบารมีเท่านั้นชาติเท่านี้ชาติแบบโน้นแบบนี้ อันนั้นก็เป็นแบบนั้นไม่เป็นไรนะแต่แบบนี้มันเข้าใจได้ง่ายกว่าแล้วมันก็ตรงกว่าก็เลยว่าโอ้มันจริงๆเนี่ยขอแต่ตั้งใจเถอะเป็นยังไงก็ได้ผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้เด็กก็ได้ผู้ใหญ่ก็ได้ขอแต่ตั้งใจที่จะเ ล, ลือกู้วนี่ปัญญามันเกิดขึ้นได้แน่ๆ น, นะมันเกิดขึ้นได้แน่แนเวลาเราสวดมนต์สมัยก่อนเนาะพระพุทธเจ้าสมัยเปิดพุทธการท่านว่า ปฏิบัติธรรมแล้วจะเจอเ อ, อ, อะไรเจอนิวรณ์นิวรณ์คือสิ่งกีดขวางจิตมันไม่ให้ทะลุเข้ามาสู่สัจจะข้างในคือใจว่างๆมันมีอยู่แล้วแต่เวลาเราจะรู้สึกตัวที่จะเข้ามาสู่ใจว่างๆมันเข้ามาไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าะหนึ่งการ ม, มาฉันทะมันปิดบังอ่ะมันเข้ามาไม่ได้สองงุนหงิด อยากได้สิ่งที่ได้มันไม่ได้นะมันจะงงงิดอยากได้ไม่ได้จะงงงิดถ้าไม่งงงิดก็ง่วงเห็นไหมเป็นไหมเราเป็นไหมเป็นมันเป็นภาวะอันเดียวกันสมัยพุทธกาลเขาก็เป็นแบบนี้สมัยปัจจุบันมันก็เป็นแบบนี้ไม่งงงิดก็ฟุ้งซ่านอุดทะจะกุดจะฟุ้งซ่านคิดมาก เดินจีโกมันก็คิดมากคิดนั่นคิดนี่โยมคิดน้อยลงหรือยังสองวันนี่หรือมากขึ้นนเรื่อยปล่อยให้มันคิดเลยบางทีเนี่ต้องลงทุนเอาเมื่จะคิดกูปล่อยมื่คิดคิดแล้วก็บอกมันเอาเรื่องนี้คิดแล้วไงจะมาอีกน้องเนี่ยบอกพี่พาคิดแล้วไงเมื่อวานเนี่ยองเอาก็บอกมันดิคิดแล้วยังจะคิดอีกอยู่แล้วเนี่ยเรื่องนี้ก็คิดแล้วเรื่องนี้ก็คิดแล้ว หยุดปัจจุบันได้แล้วอยู่ปัจจุบันเ อ, า, อาคิดแล้วถ้ามันคิดมาอย่าคิ ด, คดตรกดงกันข้ า, ามมันดูดีบางทีนะอย่าเข้าไปในความคิดถ้าความคิดตัวนี้มามันสกปรกอย่าขึ้นไปความคิดที่มันเหมือนเขาว่ามันเหมือนมันเหมือนลงศพนะมันประดับประดาสวยงามแต่ข้างในมันเน่าความคิดก็เหมือนในเวลาเข้าไปในความคิดมันเป็นทุกข์นะอย่าเข้าไปในความคิด ให้เห็นมันเฉยเหมือนรถรถทัวร์วิ่งมาอา้าวคันนี้ติดแอร์ขึ้นนั่งบ้างนิดหน่อยนะแต่คันนี้รถโกโลโกโสวิ่งมาไม่ขึ้นเหมือนกันความคิดทะลบโกโลงคิดพยาบาทนะครับวิหิงสาสังกลับมานะคิดพยาบาทคิดเปลียดเบียนคิดในกรรมกราร ม, มาวิตกพวกนี้ยพยาบาทวิตกพวกนี้ความคิดแบบนี้ถ้ามันมานี่อย่าเข้าไปในมันปล่อยมันไปปล่อยมันไป ความคิดนี่ถ้าเราไม่เติมไม่แต่งมันก็ดับเพราะว่าทำทั้งหลายเป็นอะไรนะสัพเพธรรมาอะไรนะสัพเพธรมมะทำทั้งหลายเป็นสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพสั่างขาราอนิจจาสังขาราออาขาทั้งหลายการพูงแต่งทั้งหลายเป็นอนิจจังเป็นทุกสัพเพธรมมา อ, อนัตตา ธรรมชาติทั้งหลายความปรุงแต่งทั้งหลายที่เกิดจากจิตเนี่ยมันเป็นอนันตามันไม่มีมันเกิดแล้วมันก็ดับความคิดเนี่ยถ้ามันไม่ดับนะพวกเธอเป็นปราสาทตายอะไรที่นั่งอยู่เดี๋ยวนี้แต่เพราะไอ้ที่คิดตอนกลางวันมันดับไปแล้วมันดับไหมดับหรือยังที่นั่งอยู่นี้มันดับแล้วทําไมมันจึงดับตอนเดินจุกมทำไมคิดมากคิดไม่จังทำไมตอนนี้มันดับแล้วมันดับได้ยังไงเอ้า พวกเธอไปทำยังไงไมันถึงดับตอนเดินจูงกมอยู่คิดยาวจนกระทั่งว่อาอ้าวเริ่มปฏิบัติธรรมนะโอมาศราทาเสร็จปุ๊บเดินจูงกมคิดตลอดเลยจนกทั้งเขาตีละครแม่งตอนเพลงอ้อยหยุดคิดคิดจนกระทั่งเพลงดูดิคิดได้คิดดีอะไรมากมายขนาดพอตีละครนะลแล้วตกใจหวเพลแล้วต ก็ลืมเลยลืมคิดเลยใช่ไหมแต่ตอนเขาบอกว่าให้ตั้งใจอย่าไปคิดมานะดันตั้งใจคิดบอกว่าอย่าคิดเนะี่ยตั้งคิดแต่บอกเขาตีละครั้งตีละครั้งเฉยๆกับลืมลืมคิดเลยไปเข้าห้องน้ำโมท่ท่าก็ทําแบบนั้นแหละทําแบบลืมสะบั้งความคิดเนี่ยนะแต่เขาอยากให้เห็นชัดๆว่ามันลืมเนี่ยมันปล่อยวางความคิดที่มันไม่คิดแต่มันทํำยังไงมันถึงลืมได้ให้จําชัดๆแล้วต่อไปมันเกิดขึ้นเนี่ยเธอจะจําแบบนั้นเธอจะทําได้เลย อันนี้มันมันลืมมันหยุดคิดในชีวิตประจวันเราก็ไม่รู้มันเหมือนกลบเกิดแล้วคิดอันอื่นมาทับเนะยมันก็หายไปนะบางทีมันกำลังคิดอยู่ดีดคิดอยู่ดีดเขาประกาศมาวันนี้คนเสื้อแดงผูกระเบิดอยู่ที่อำเภอวังน้อยตายไป411ศพมันพวกนี้ไม่น่าจะพนะิการไปมดโรงพยาบาลทั้งหลายห้ามพาตัดคนไข้ที่รออยู่ทุกคนให เตรียมเป็นฉุกเฉินทั้งหมดดนหงูตั้งขึ้นมาจะดีนะอันนี้สมมุติขึ้นมานะนมมี่สมมติสมมติไหนไหมมันก็ตั้งใจฟังแทบตายนะเนี่ยเห็นไหมมันถูกกีตมันไงนะจริงๆมันไม่ได้มีน ะ, ะยังไม่ตายสักคนนะเนี่ยโอปานนั้นติ๋คนที่ปฏิบัติอยู่อาสมวงดิทนั้นยาได้กลับบ้านเพราะว่างานยังไม่เปิด ให้ปฏิบัติต่อไปเขาประกาศนะคณะเขาอันนี้กูไม่ฟังตัวนี้กูไม่ฟังเพรมันจะไม่จริงอะไรประมาณนั้นนะหิดมันจะคิดอย่างนี้ธานีเลยแหละลองดูดีอันไหนที่มันชอบมันจะคิดยาวอันไหนไม่ชอบมันก็สั้นๆอะไประมาณนั้นลองลองเข้าใจดูดิเวลาเวลาเราหยุดคิดเน่ยเรื่องนี้มันคิดเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยมันมันหยุดได้ยังไงดูให้มันชัด การเกิดนี่อาจจะไม่เห็นเนี่ยแต่เห็นการดับไปก่อนการดับไปของความคิดแต่การเกิดขึ้นของความคิดคนไม่ค่อยเห็นหรอกเห็นการเกิดดับเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นแต่เห็นแต่การดับแต่การเกิดไม่ค่อยเห็นถ้าคนไหนเห็นเกิดด้วยเห็นดับด้วยเนี่ยโอ้ถือว่ายอดฮะแต่ถ้าจะไปจ้องดูเลยเนี่ยมันจะยากลําบากนะทีนี้การการเกิดดับแบบแบบปฏิบัติทำแบบนี้เนี่ยอย่างมันคิด เป็นเกิดหยุดคิดก็เป็นดับเดี๋ยวมันคิดมาเดี๋ยวมันก็ดับไปเดี๋ยวคิดมาเดี๋ยวมันก็ดับไปเราเห็นแบบนี้นี่มันมันไม่มีผลเท่าไหร่นะเดี๋ยวมันก็เกิดอีกแต่ว่าเขาอยากให้เห็นด้วยปัญญาคือเจริญสติมากเข้ามาเขามันมีจังหวะหนึ่งนะเราไม่สนมันนะมันคิดแค่ช่างหัวมันกูจะรู้สึกไปเรื่อยๆพอมาเข้ามาเข้ามาเข้ามีจังหวะหนึ่งพอมันคิดแวบขึ้นมาแล้วพอเห็นมันปุ๊บมันสว่างแจ้งหลังจากนั้นความคิดนนี้ไม่เกิดอีกเลยมันดับไปเลยเนี่ย เขาจะให้เห็นการเกิดดับแบบนี้เกิดดับของปัญญาดับไปของทุกเนี่ยไม่ใช่ดับทีละตัวดับทีละตัวไม่ใช่แต่ว่ากว่ามันจะเป็นอย่างนี้ได้ในสติคุณต้องเยอะเยอะตัวรู้คุณต้องมีพลังมากๆมันถึงจะเป็นแบบนั้นให้นั้นเขาถึงบอกว่าสร้างจังหวะนี้เดืนจุกมทามากๆเลยทําเถอะทํามากๆขยันทําเยอะ คนเก่าๆเขาจะพอรู้ว่าจุดเกิดจุดดับมันอยู่ตรงไหนเพราะเขาเค ย, เ, คยเจอไอแบบเนี้ยมันจะง่ายๆแต่คนใหม่ๆเนี่ยอืมกูเดินนี่ไม่ได้ถึงคลองสิบห้าแล้วเนี่ยถ้ามาต่อกันกูถึงสนามหลวงแล้วในสองวันเดินไม่หยุดไม่หย่อนเนี่มาคิดประมาณเนี่ยเขาไมไ่ให้คำนวณเลขอันนี้เขาให้มาเดินรู้สึกเฉยๆเนี่ยมันคนละภาวะกันนะงั้นคนไหนเคยชํานาญแบบมันก็จะคิดป่วงไปเรื่องนั้นแหละออกไปตามกระแสมะนะั้ง รู้สึกเฉยๆอันนี้รู้สึกเฉยดูเฉยๆลึกรู้เฉยๆให้เห็นเฉยๆนะจนถ้าว่าอะไรเกิดขึ้นมาน่ะนี่วรประเภทไหนที่มันมาดับได้หมดเลยคือคือเฉยกับมันนะม่วงมาก็เฉยกับม่วงไหวไม่เฉยกับม่วงเป็นไหมคนถ้าไม่เคยฝึกสติมาเฉยกับม่วงมันเฉยไม่เป็นหรอกเฉยกับม่วงก็มีแต่มรณะเท่านั้นแหละนะ เฉยกับง่วงหรือง่วงเพิ่มเฉยกับความคิดลองดูดิมันเฉยไม่ได้เราก็พยายามเรียนรู้เหมือนเหมือนกับความคิดเนี่ยมันเหมือนกับบัวที่มันจะวิ่งออกข้างนอกมันจะวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปไอสติเรานี่เหมือนเชื่อสนตะพายมันเขาเรียกว่าสนใจสนใจก็คือไปผูกใจไว้เนี่ยแล้วก็กายนี่คืนหลักมาผูกใส่หลักแล้วก็ตอกไว้อย่างนี้เร ล, ลึกรู้อย่างนี้เราไม่ต้องไปวิ่งตามควาย ไม่วิ่งตามวัวแต่เราเรียนรู้อยู่อย่างนี้เรียนรู้รู้สึกตัวแบบนี้เรืร่อยๆเรืร่อยๆเรืร่ๆมันเราไม่ไปสนมันเดี๋ยวมันก็ดับเองน่ะความคิดเห <laughs> <rage> ็นเพราะมันเป็นอนัตตาความคิดเี่มันไม่มีตัวตนมีไหมมีตัวมีตนไห ม, ม, มถ้าคนไหนตัวตนจัดเนี่ยมันจะยาวแล้วมันจะออกยาก <c oughs> นั้นความคิดอะไรที่เราชอบมากๆเนี่ยมันจะออกยากมากอะไรที่เราไม่ชอบมากๆก็จะออกยากมากมันเหมือนตาประทับเนี่ยที่เราประทับแรง มันจะติดนานลบไม่ค่อยออกเนี่ยแต่ความคิดเล็กน้อยมันทิ้งได้ไวเราก็กลับมารู้สึกเฉยๆรู้สึกเฉยๆเอามาคิดมาก็เฉยบางเรื่องก็กรกเกินนะอย่างคิดเรื่องกลางมานี่แล้วก็คิดเรื่องอสุภะมาบ้างพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังพิจารณอสุภะเนี่ยอา้าวคิดแต่เรื่องมันไม่สวยไม่งามลองดูดิเนี่ยแล้วมันจะเป็นยังไงอ่ะทับเข้าไปอีก พอมันสงบไปผู้างพอกลับมารู้สึกตัวหรือเราไปทําอย่างอื่นไปไปอาบน้ําไปซักผ้าไปปัดกวาดไอ้น่นอันนี้ไปให้มันลืมไปซะหน่อยแลว้วค่อยมาทําไหมเนี่ยเหมือนเหมือนเราถเชือกเราผูกควายนี่เวลามันควายมันวิ่งไปวิ่งไปเวล า, าดึงดึงดึ ง, ด ง, ดงดึงนี่เรากับควายใครแรงกว่ากันหอคนกับควายใครแรงกว่ากันหึหึคนนี้ยังโง่กว่าควายนั่นถาม ควายนั้นมันแรงกว่าฉันคนกับควายท่นไหนมีปัญญามากกว่ากันคนเราก็วิ่งตามมันไปก่อนพอได้จังหวะหนึ่งเชื่อเขาเราจะมัดใส่ต้นไม้ก็ได้ใส่อะไรก็ได้แล้วมันก็จะวิ่งไปไม่ได้แต่ต้องระมัดระวังเราไม่ใช่ว่าจะดึงอยู่อย่างเดียวนะเหมือนกันฮะเวลาเราคิดมากๆนี่เราจะรู้สึกอยู่มันก็ไม่ไหวอ้าวตามมันไปบ้างพามันคิดไปบ้างคิดคิดคิดไปพอได้จังหวะหนึ่งก็ ล็อกมาเลยนะตวัดเบี่ยงเบนความคิดคิดไปอย่างอื่นน่ะคิดไปคิดมาคิดไปคิดมาร่ำรวยล่ารวยเป็นนั้นล่ารวยไปบน้ถูกรางวัลที่หนึ่งอย่างนั้นนี้เฮ้ยขนาดพระพุทธเจ้ารวยกว่ากูแล้วกูยังไม่คิดนะเนี่ยคิดหักมุมมันน่ะแล้วแต่คิดหาวิธีคิดในพระไตรปิดฎกท่านสอนวิธีคิดในการดักความคิดเนี่ยจำใจวิชคิดดักความคิดไว้เจ็ดแบบอยากฟังไหมว่าแบบไหนบ้าง ก็เหมือนที่พวกเธอทำนั่นแหละถ้าเธอไม่อยากคิด hmm. ดักมันก็รู้สึกตัวเฉยๆนี่มันก็หายไปรู้สึกตัวพยายามรู้สึกตัวเดินเนาะมันคิดคิดได้กูจะรู้สึกอยู่อางนี้กูจะเดินกูจะอยู่กับเท้ากูอย่าเดินไปเดินมาเดินไปมันจะอยู่ถึงค่ำไหมรอบหนึ่งยังอยู่ไม่เป็นไรรอบสองรอบสมรอบสี่รอบห้ารอบหกรอบเจ็ดรอบแปดสิบรอบน่ะมันจะไปไหนซะที่สุดของความง่วงอยู่ตรงไหนที่สุดของความคิดอยู่ตรงไหนที่สุดของความฟุ้งซ่านอยู่ตรงไหนที่สุดของความ ดับทุกอยู่ตัวไหนเน่ยที่สุดของทุกเราเดินหาที่สุดทุกเดี๋ยวเนี้มันคิดที่มันจะมีที่สุดของมันอี่หรอกนะแต่เราคิดโอ้มีอยู่เล้ยกูคิดมานตั้งแต่เกิดนะมันยังไม่หยุดเลยเนี่ยมันมีเพราะว่าเราเจริญสติไงเมื่อไหรที่เราถอนอุปทานถอนความยึดติดถอนความอยากออกมาเนี่ยความคิดมันก็ทํางานไม่ได้ละแต่นี้เราอยากเราเข้าไปในความคิดแล้วมันไปเสริมแรงให้มันมาเลยเดินไปเรื่อยๆความคิดนี่มัน มันไม่มีตัวไม่มีตัวหรอกถ้าเราไม่อยากมันก็ดับได้อะอันไหนที่เราไม่สนนะมันจะหายเร็วแต่อันไหนที่เราติดมันนี่ works. มันเป็นการเป็นงานเป็นชีวิตเป็นลูกเป็นหลานเป็นอ ะ, อ ะ, อะมันจะติดนานมันจะออกยากนะแต่เราพยายามที่อ <Cat>? ย <_ utter explosions> ู่กับปัจจุบันนี้เดี๋ยวมันก็หายไปหามันก็จางไปทำ buoy เข้า buoy เข้าไปเข้าไปแล้วมันจะจางลงจางลงมันเหมือนเหมือนน้ำเนี่ยนี่นี่นี่นี่นนี่สีไร ือสีเขียวนะมันสีเขียวเอาน้ําอะไรเติมใส่มันจึงจางเอาสีอะไรเติมใส่มันจึงจางมาันจึงจะใส่ขึ้นมาเอาน้ำอะไรน้ําเปล่านะน้ําเปล่าเติมใส่มันจะใส่ขึ้นมาหรอกในใจเราเนะ่ะสีมันมีความรักความชังความโกรธความเกลียดความหงุดหงิดอึดอัดคัดเครื่อง มีโม้เลยเราก็เอาใจเฉยๆนี่เติมใส่รู้สึกตัวเฉยๆนี่ใส่เรื่อยๆอยๆนี่มันค่อยจางสีนี่มันมีอยู่ร้อยเปอร์เซนเนี่ยถ้าเราเติมลงไปสักขันหนึ่งเนี่ยมันจะจางลงไปห้าเปอร์สิเอร์เยี่บสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบมันก็จะเหลือห้เปอร์นถ้าเก้าสิบห้าเปจะเหลือห้าปอร์เตสีมันจะไม่เขียวละมันจะกางจางใกล้จะใส่ละถ้าเติมเต็มใส่รอยเอร์เซ็นต์จ ก็คือเติมความรู้สึกตัวเนี่ยเติมสติอใส่เยอะๆ เ, เดินไปรู้สึกทําอะไรรู้สึกเธอกลับไปบ้านไปทําการทํางานทําอะไรก็ตามนะ่ะเธอรู้สึกตัวอยู่เรื่อยๆบางคนนั่งกลับไปนะเขียนสติรู้สึกตัวติดฝาห้องติดจากเย็บผ้าติดห้องน้ําติดห้องน้ำติดไปหมดเลยรู้สึกตัวอย่าลืมรู้สึกตัวอย่าลืมติดใส่หัวสวมเยียรไว้โอ้ยรู้สึกตัวมันลืมเร็วนะต้องติดไปให้หมดเลยนะะ ติดเครื่องไม้เครื่องมือไม้กวาดเนีรู้สึกตัวไปหมดนะ่ะทำมันมันจะได้รู้สึกตัวบ่อยๆบ่อยๆไปเตือนสติตัวเองนะถ้ารู้สึกตัวบ่อยๆขนาดนี้เอาจริเงเอาจังกับมันทําไมมันจะไม่จางความคิดเนี่ยมันเหมือนน็อตเนี่ยเราหมุนกับคืนปกติแล้วจะหมุนเกลียวมันเข้าไปข้างหน้ามันจะแตกเลยแน่นหมุนคืน ห, หลังคือกลับมารู้สึกตัวแท่ที่มันจะคิดไปข้างหน้าเรารู้สึกตัวคืนมาทางหลังรู้สึกตัวกลับคืนมาโอ้มันคิดอะไรนะกลับมารู้สึกตัวรู้สึกเฉย รู้สึกตัวเนี่ยมันยังไม่เป็นสุขเป็นทุกข์มันยังไม่รักไม่ชังไม่เ่กูไม่เฉ ม, มึงไม่ใช่เขาไม่เชยเรารู้สึกเฉยเฉยเนี่ยแต่พอมันคิดเข้าไปมันเข้าไปแหละถ้าจําเป็นต้องคิดละ่ะคิดซะแล้วรีบกลับมาอยู่แล้วก็รู้สึกตัวไวๆอ่าขามาซื้อของห้าบาทเขาให้มาแบงค์ยี่สิบถอนเท่าไหร่เออสิบห้านะเราก็คิดนะโอ้สิบห้านะคิดได้แล้วเอาเงินให้มันก็เี่ยประโยชน์ปัจจุบันอั่นี้ ก็ไม่มีอะไรจําเป็นต้องคิดก็คิดไม่ใช่ไม่คิดนะะคิดคิดแล้วกลับมารู้สึกตัวใหม่ถ้าคิดแค่นี้มันจะไม่มีความโลภความโกรธเข้ามาอยู่ในใจเราคนนั้นมาคุยด้วยก็คุยกับเขาคุยจบแล้วก็รีบไปรู้สึกตัวขณะที่คุยก็ระวังใจตัวเองอย่าให้มันโกรธเขานะอย่าให้มันงุนหงิดนะอย่าให้มันเบื่อนะอย่าใมันคิดมากนะกลับมารู้สึกตัวทำอย่างนี้ยู่ยบ่อยๆนะมันจะแจ่มแจ้งขึ้นมาดีจิตเนี่ยเธอสามารถ มันจะมีจังหวะหนึ่งที่มันหลุดพ่อออกไปอยู่ที่บ้านก็ได้ที่บ้านเราเนี่ยสามารถรู้แจ้งเป็นพระอนาคามีเป็นอะไรกไ็อยู่ที่บ้านนะขอจะให้มันสติตามรู้เท่าทันนะทําบ่อยๆอ ย, อ, ย, อ, ยอันนี้นี่ไปเติมน้ําที่วัดเนี่ยเติมเยอะๆมันก็ใส่ได้ไปเติมอยู่ที่บ้านใส่ได้ไหมใส่ได้ที่ทํางานก็ใส่ได้เติมอยู่ในรถก็มีนะยมคนหนึ่งนะเกยขับรถแกยจะเอา เอาลูกประคําูกตาให้รูกประคำไปแกไปแกแคไปผูกใส่ในพวงมาลัยรถแกแกขับรถไปแกจะนับรูกประคำกี้ก้ากแก้าแมือแกแกหมุนรูกประคำมันนงว่าแกจะนับลูปคําไปเรื่อยจิตแกก็ดีขึ้นดีขึ้นนะแกก็หัวเราะเวลาผัวแกทะเลาะด้วยผัวแกไหวของแกจิตแกมันดีอย่างแกว่ามันไม่รู้สึยโกรธเกลียดนะมันใจมันสบายแต่จะนับรูกประคำเรื่อยๆในรถนะะใจมันอยู่ปัจจุบันเป็นะ คือมันง่ายๆแต่ว่าไอ้ง่ายๆ่นี่คนมองข้ามเพราะพรุทธเจ้าเลยว่าท่านมาหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดของเราก็เหมือนกันแล้วจะไปหาธรรมะในตำรับตําราลึกซึ้งมากมายหลากหลายหาในใจเรานั่นแหละแต่ละวันแต่ะละวันมันโกรธกี่ครั้งตื่นขึ้นมาโกรธได้ยังเนี่ยพอตื่นนอนว่าคิดหรือยังโอ้ยังไม่คิดนะอมรู้สึกตัวจับแปรงที่ฟันคิดหรือยังยังเป็นฟันไหมยังมีคิดหรือยังยัง เมืสิฟันจบวางไว้คิดได้ยังยังอ่าวางไว้ออกมาเดินจุคมเลยหรือบางทีลุกขึ้นมาก็มานั่งสร้างจังหวะซะน้อยแล้วค่อยไปแปรงฟันทําใจสบายก่อนหรือแปรงฟันแล้วก็มานั่งสร้างจังหวะแล้วก็เดินจุคมสะสมตัวรูว้อันนี้เอาไว้นะโยมคนหนึ่งแกทําอย่างนีแหละแต่แกไม่เคยได้ยินได้ฟังเคยฟังเทปหลวงตาในน้อยนะฟังซีดีแล้วแกก็ไปทําแกลงประจำศีลในวัดในวัดวัดหนึ่งนะ และก็์กแอบไปทำคนเดียวข้างๆเมนว่าทำจริงทำจัิงกก็ไปแอบไปทำเกยไปทาวันพระนนะโยมเป็นครูหรอไปทาวันพระก็ไปทาอยู่ข้างเมนเลยอยู่ๆมันก็เกิดเกิดโล่งเกิดแต่ก่อนนะนะก่อนจะเดินู่กรมเกย์กอธิษฐาน ให้บุญคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์พูดผีปีศาจทั้งหลายจงมันรุนแางในพนระเจ้าจได้รู้แจ้งนะยิ่งถึงเวลาทําไปไม่นานดอกเดินจงกรมอ้อมเมนไม่นานแกก็เกิดสว่างเกิดโล่งขึ้นมาแกนึกว่าผีแถวนั้นมาช่วยนะแล้วมันก็เกิดชื่อว่าหนึ่งการได้ยินได้ฟังมันไม่พอสองความแจ่มแจ้งเนี่ยมันมันมันเกิดจากฐานของความเชื่อแบบนั้นเนะกนะ็เลยเชื่อว่าผีในนั้นมาช่วยให้เกิดรู้นะ ก็ไเ้เกิดไหวเมนนั้นยกใหญ่เลยทีนี้ตอนเช้าเอาข้าวไปให้กินข้าวแล้วก็ไปให้ต่อต่อมาก็แต่งชุดขาวไปสอนนักเรียนเลยนะทีนี้ว่ขนข้างหนักจนกระทั่งมาเจอไปเจอกับหลวงตามีคนพามาก็มาพูดมาคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้ด้วยเขาก็ยังมีความเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทําให้เขาเกิดอาการไปแล้วขึ้นมาแล้วเขาก็โล่งเขาบอกว่าเขาบารรลุทํา แต่เกิดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบนั้นไปนี่คือการได้ยินในฟัง เ, เป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างหนึ่งแหละนะถ้ากันทําให้เกิดการหลงทางเพราะว่ากัลยาณมิตรมันไม่มีฉะนั้นพอเราได้ยินได้ฟังพอเราไปปฏิบัติทําเราจะเข้าใจว่าต้นสายปลาเหตุเนี่ยมันมาจากไหนอะไรยังไงเนี่ยนะพหูสัจจะเนี่ยจำเป็นการได้ยินได้ฟังมากขอสมควรเนี่ยเป็นความจําเป็นศรัท ธ, ธาวิทยาสตินะอิริโอตปะพระหูสัจจะชาคปัญญา คุณธรรมของผู้ที่กำลังปฏิบัติจาเป็นต้องมีนะนะศรัทธาวิริยะสติอิริโอตตปะความละอายชั่วกลัวบาปแล้วก็พระหุสัจจการได้ยินได้ฟังมากจาระการสัต์อารมณ์ปัญญาการรู้แจ้งเห็นการเกิดดับมีความจำเป็นเนะ่สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมใหม่ ถ้าลองลองศึกษาดูตั้งใจทําดูเรียนรู้ดูพุทธธรรมเนี่ยพุทธะเป็นวารู้ตื่นเบิกบานนะพุทธศาสนาคือศาสนาที่ทําให้คําสอนที่ทําให้คนรู้ตื่นเบิกบานนะพุทธธรรมก็คือธรรมชาติที่ทําให้คนรู้ตื่นเบิกบานเนีแต่เรานับถือพุทธศาสนาเนี่ยพระกนับถือมานานนะนะ ไม่รู้กี่ปีกี่เดือนจนกระทั่งเราก็จะตายเน่าเข้าโรงแล้วเนี่ยแต่มันก็ไม่รู้แจ้งเพราะอะไรเพราะว่ามันอาจจะไม่ตรงก็ได้เราก็ทบทวนใหม่ชีวิตเราเนี่ยมันผิดพลาดตรงไหนอะไรยังไงหรือทํายังไม่จริงถ้าทํายังไม่จริงเราก็ทําให้มันจริงซะทําไม่ถูกก็ทำให้มันถูกบางทีทําจริงนะบางคนเนี่ยทําจริงทําก็ถูกด้วยปฏิบัติธรรมบางคนจริงจังแต่มันไม่ถูกพอมันไม่ถูกมันก็ไม่เกิดบางคนจริงจังถูกแต่มันไม่ต่อเนื่อง ปัญหามานะันแะทำจันทร์าทิก็ทำอยู่สองวันอะไรนะทำได้อยู่ที่บ้านที่เรือนตอนเช้ามากห้านาทีสิบนาทีก่อนไปทำงานแต่ว่ามันไม่ต่อเนื่องมันเหมือนกับการต้นน้ำเคยบอกต้มน้ำเนี่ยจุดเดือดมันเท่าไหร่ร้อยองศาถ้าต้มได้สักห้าองศามันจะเดือดไหมมันก็ไม่เดือดแล้ว อันนี้ก็เหมือนกันเกตมันก็ไม่ตายมาปฏิบัติน้อยให่มันเกิดปัญญามันก็ไม่เกิดเพราะมันไม่เดือดให้อยู่บางทีนี่ต้องพอสมควรนะ่ยนะลืมตาลืมตานะลืมตาโอ้วันนี้มันจะสามทุมแล้วนเนี่ยลองดูเฉยๆเราเมื่อคืนนี้สองทุ่มครึ่งปล่อยวันนี้สามท่มปล่อยพรุ่งนี้จะสามทุ่มครึ่งวันต่อไปก็สี่ท่มตามเราก็เป็นเหมือนพวกเธอนี่ยแหละพระก็เดินจกรเหมือนพวกเธอนั่นแหละ เหมือนกันเนี่ยยิ่งพระเธอก็เรียนสูงกว่าพระอีกเนี่ยแต่ทาไมพระเธอกหือเป็นเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ไงว่ามันง่วงมันมาได้ยังไงเรายังฝึกไม่เป็นจริงจริงมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเฉยเฉยนะเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่เรายังไม่เห็นมันนะแต่หลายๆคนเขาบางทีเขาไม่เห็นนะแต่เขาอายเป็น พวกเธอมันอายไม่เป็นใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่นะโอไม่ใช่ทำไมแล้วหลับล่ะอือายไม่เป็นแล้วทำไมหลับมันคงเผลอเ น, นะอะเราลองฝึกลองฝืนดูนะตั้งอตั้งใจดูเหลืออีกสี่วันใช่ไหมอ่านี่วันก็เช่เถอะขอให้ตั้งใจทำ เื่นดึกลูกเช้าขยันเอาหน้าเอาท่าหล่ะก็ตั้งใจปฏิบัติปฏิบัติตายเป็นตายอ่ะตายใส่อาสมวงสนิทนี่ให้เขาหน่อยสักคนมาปฏิบัติทำรุ่นนั้นปรากฏว่าตายสองไปลงเว็บไซต์ว่ามีคนตายเกิดขึ้นเนี่ยดังในเราเนี่ยดังรุ่นนั้นตายหลวงตาเขาจะเลิกอาชีพสอนคนสักวสอนตะทีตายเกิดขึ้นนะมันไม่ตายสัทีมีแต่ขโมยหนีมันกลัวตาย ทนครัวคนเนี่ยตั้งอตั้งใจนะมีใครสงสัยอะไรไหมสามทุ่มแล้วกะจะได้เบรกแล้วเนี่ยมีคนสงสัยไหมยอยากถามมันั่นอันนี้เรื่องไหนก็ได้เรื่องติดอารมณ์เรื่องอะไรแบบไหนในของใครอะไรยังไงนะฮะในโลกอวเจาะ อ, อันเนี้ยถามมาได้มีไหมคนไหนอยากถามปัญหาปฏิบัติใหม่ตอนนี้ก็ได้ปัญหาเก่าๆ ก, ก, ก็ได้ ไม่มีปัญหาเลยไม่มีปัญหานะเตรียมตัวนั่งคุกเขาดีๆประนมมือป๊า